ถ้าว่าเราทําหน้าที่นี้อย่างดีที่สุดก็คือเตรียมตัวพร้อมรับความตายอยู่เสมอสิทธิก็คือว่าเราสามารถจะตายอย่างสงบได้สิทธินี้เป็นเป็นสิทธิของทุกคนนะทุกคนในตมายาม้ําหมายคือว่าเด็กก็เป็นสามารถจะตายอย่างสงบได้คาระวะธรรมดาที่ไม่เคยเข้าวัดก็อาจจะตายอย่างสงบได้คนท่าคนแก่หรือคนที่เป็นมะเร็ง โลกที่อาจจะทุกขทรมานก็สามารถจะไปอย่างสงบไดนะ้ที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์นี่มีเด็กคนหนึ่งแกอายุสี่ขวบแกเป็นแกเป็นมะเร็งซเป็นมะเร็งไตเนี่ยฮะแล้วก็ในวันสุดท้ายของแกนี่ในวัสุดท้ายในชีตของเด็กคนนี้เนี่ยแกยกระสับกระส่ายมากเลยนะแกยมีปัญหาเรื่องการหายใจ ทุรนทุรายมาพยาบาลเนี่ยซึ่งเป็นผู้ที่รู้จักเด็กคนนี้มาคือดูแลรักษาเด็กคนนี้มาแล้วก็คุ้นเคยกับเด็กคนนี้แกทำยังไงฮะแกก็ใช้วิธีง่ายๆนะก็คือรู้ว่าเด็กคนนี้เนี่ยชอบอุตรามแมน ก็เลยบอกว่าบอกเด็กคนนี้ว่าขาที่กำลังทุรนทุรายกระสับกระสายเนี่ยบอกว่าพี่จะพาหนูไปซื้ออุตรแมนขอให้หนูนี่หลับตาและตามที่ไปแล้วก็เด็กจินตนาการนะก็จินตนาการตั้งแต่ว่าเดินออกจากบ้านไปนะผ่านสนามเด็กเล่นนะเด็กก็ชอบสนามเด็กเล่นอยู่แล้วก็ก็จินตนาการว่าได้ไปเล่นชิงช้าได้ไปได้อ่าเล่นกระดานหก แล้วก็เดินต่อไปจนกระทั่งถึงห้างสรรพสินค้าแล้วก็ขึ้นไปไปถึงไปถึงสวนที่ขาขายของเล่นพยาบาลก็นำเด็กนำจินตนาการเด็กไปว่าเด็กได้เห็นเห็นตู้ขายของเล่นมีอะไรบ้างแล้วก็ได้เด็กก็ได้ซื้ออุลตร้าแมนที่ตัวเองชอบในจินตนาการ น, นะรเมื่อซื้อเสร็จเด็ก พยาบาลท่านนี้เนี่ยะะก็รู้รู้จักแม่ของเด็กว่าเด็กคนนี้จะรู้จักหลวงพ่อเขียวก็เลยบอกว่าบอกกับเด็กซึ่งตอนนั้นหลับตาอยู่นะฮะลืมบอกไปว่าตอนที่บอกว่าอูต้าแมนเนี่ยเด็กคน น, นี้ก็ทําท่าที่เคยหลับตานะก็ทำท่านี้ อ, นททนอูต้าแมนเมื่อสู้ต้าแมนเสร็จก็บอกว่าเด็กเด็กค น, นนี้ดอกเด็กค น, นนี้ก็จะพาไปหาหลวงพ่อเขียวเด็กก็ จินตนาการตามไปหันพักเขียวได้กราบหลวงพักเขียวการนำอยู่ประมาณสามสิบนาทีนะฮะระหว่างที่นำเนี่ยเด็กนี่สงบเลยแล้วก็หลังจากนั้นเด็กก็สงบแล้วก็สองสามชั่วโมงหลังนั้นเด็กก็จากไปนะคือเด็กตายอย่างสงบนะทั้งที่ไม่ได้ใช้ไม่ได้ไม่ไม่เ ท, ที่เจอโลคที่มันลำบากนะมีคนหนึ่งอายุสิบขวบที่หัดใหญ่นะฮะ เด็กคนนี้แกเป็นแกเป็นแกเป็นมะเร็งเม็ดเลือดแล้วก็แม่นี่ก็ชวนพาเด็กเนี่ยไปสัมผัสกับธรรมะไปสวนโมกได้คุยกับเรื่องความตายให้กับเด็กฟังแล้วเมื่อถึงเมื่อเด็กป่วยหนักเนี่ยแกก็แกก็ยู่เข้าโรงพยาบาลแกก็พอมาสุดท้ายเนี่ยแกแกอาเจนเป็นเลือดนะเพราะเลือดแกเสียเป็นพิษด้วยแล้วแกก็ตกใจว่า หนูจะตายแล้วหร อ, หรอตอนนั้นแม่และพยาบาลอยู่ไกลๆพยาบาลก็บอกว่าพยาบาลก็ตั้งสเติตดีนะพยาบาลบอกใช่หนูจะตายพยาบาลไม่โกหกเด็กนะฮะพยาบาลบอกใช่หนูจะตายแต่ว่าหนูเป็นเด็กกล้าหาญให้หนูเดินไปข้างหน้าได้เลยอาจารย์พุทธทาสรออ ย, อยู่ข้างหน้าก็มีเพื่อนๆรออ ย, อยู่หนูเป็นคนกล้าหาญนะป้าเนี่ยจะอยู่ช่วย ช่วยหนูแม่ก็จะอยู่ช่วยเหมือนกันคือให้เดี็กเขารู้ว่าเขาไม่ได้เขาไม่ได้เขาไม่ได้ไปคนเดียวแล้วเขานึกถึงอาจารย์พุทธะเขาเขาเกิดเขามีความศรัทธาในอาจารย์พุทธะเขารู้ว่าอาจารย์พุทธะอยู่ข้างหน้านะระหว่างนั้นเนี่ยแม่ก็ให้ลูกเนี่ยได้ภาวนาพุโทโธที่แรแม่ตกใจนะเพราะว่ามันมาแบบกระทันหันมากเป็นคําถามซึ่งแม่ไม่อยากไม่คิดว่าจะลูกจะถามแม่หนูจะตายแล้ว พยาบาลก็ให้แม่นสงบแล้วก็ให้ช่วยกันเนี่ยพาเด็กคนนี้เนี่ยไปสู่ความสงบนำภาวนาพุโทโธแม่ทำลูกก็ทำก็ไม่ใช่ง่ายนะเพราะว่าลูกก็ตอนนั้นก็อาการก็แย่นะแต่เด็กก็สงบนะฮะเด็กก็สงบสง บ, สงบแล้วก็จากไปนะด้วยดีแล้วแม่เขาก็ซาบซึ้งมากเนะ่ซาบซึ้งางซาบซึ้งในซาบซึ้งในพยาบาลว่าพยาบาลนี่ได้ช่วยเา นะแล้วก็เขียนเป็นเรื่องเป็นเล่ามาเพื่อเพื่อให้เป็นให้รู้ว่าเพื่อให้เป็นเป็นเคสสตี้ว่าสำหรับผู้ที่สนใจว่านี่การที่จะช่วยให้เด็กเนี่ยาาก็จับไปสงบก็ทำได้อาตมาได้จัดอบรมประิงร่างตายสงบมาหลายครั้งนะแล้วก็ได้พบเรื่องราวาทำนองนี้อยู่นะต่างๆกันไป บางคนเนี่ยเริ่มต้นด้วยความรู้สึกความรู้สึกความรู้สึกไม่ยอมไม่ยอมรับความตายมีผู้หญิงคนหนึ่งเป็นแม่เนี่ยแกไม่ยอมรับความตายฮะแกเป็นมะเร็งก็คือกระสับกระสายแล้วจะให้้ให้การรักษาอะไรเนี่ยแกก็จะ ก, ก็จะขัดขืนพยาบาลก็ไปคุยทำความคุ้นเคย จนทั่งมีความมีความมีส ม, มรรธภาพกันในระดับหนึ่งแล้วก็ถามว่าทำไมทำไมเขาถึงรู้สึกแบบนี้เขาบอกเขาไม่อยากตายเพราะเขาเป็นห่วงลูกฮนะเขามไม่รู้อยู่สองคนผู้หญิงผู้ชายแล้วู้สองคนเนี่ยนะตอนนี้เนี่ยคนหนึ่งในคนหนึ่งข้าราชการรู้สึกอยู่ในอเภอเนีรับไปอีกคนหนึ่งยาบาลรับไป แกเป็นห่วงว่าถ้าแกตาย้วลูกจะทำไงพยาบาลก็บอกว่าเดี๋ยวได้เป็นห่วงลูกเพราะลูกเนี่ยเป็นคนดีเนี่ยถึงมีคนพร้อมที่จะรับเอาไปเลี้ยงนะถ้าลูกให้ถ้าลูกถ้าลู ก, ลกงนไม่เป็นคนดีเนี่ยไม่มีใครไปเอาไปเลี้ยงหรอกรอเขาพูดมากกว่านี้นะแต่ประเด็นก็ตรง น, นี้จนกระทั่งสบายใจแล้วเขาก็บอกพยาบาลนึงว่าตอนนี้เขาหายเขาหายกลัว หากลัวตายแล้ว 80% คือย้อนแล้าความตายได้ 80% อีก 20% คืออะไรพยาบาลถามเขาบอกว่าเขากลัวจะตายไม่สงบพ่ อ, อะไรฮะก็คนเรากลัวตายนะฮะพยาบาลก็บอกว่าคุณเนี่ยทำความดีมาตลอดให้ให้คุณนั้นเลืถึงความดีของคุณนะให้เลือกถึงความดีไว้ และทำความดีแม้กรทั่ในยามที่ที่หมดที่ ท, ที่ที่ป่วยนี่แหละถ้าคุณตายในความดีของคุณเนี่ยนะคุณก็จะไปอย่างสงบพอพูดอย่างนี้เท่า น, นี่ยผู้ป่วยวก็ใจก็ใจก็สงบขึ้นเลยนะและะ้วพวกว่าตอนสุดท้ายก่อนตายเนี่ยแกแกก็สงบมากแล้วแกก็ถอดถอดถอดไอถอดไ อ, อ, อ, อเครื่องช่วยหายใจเนี่ยไอมาร์สเนี่ยหน้ากาเนี่ยถอดออก แล้วก็ลาพยาบาลแล้วก็ไปสงบเริ่มต้นจากคนที่ขัดพื้นต่อสู้ความตายแต่ว่าจบลงอย่างสงบไม่มีภาระอะไรที่ที่จะต้องกังวลอีกต่อไปไม่ว่าลูกหรือตัวเองอันนี้คือคือสิทธินะที่ทุกคนเนี่ยมีทุกท่านเนี่ยในที่นี้มีสิทธิที่จะตายสงบได้นะถึงแม้ว่าอาจจะ อาจจะไม่รู้จักพุทธศาสนาเลยอาจจะไม่เคยเข้าวัดฟังทําเลยนะแต่เข้าก็ดีนะฮะแต่ว่าไม่เข้าเนี่ยก็ยังไม่สายนะถ้าหากว่าทางว่าเป็นผู้ที่ได้มีทำความดีไว้แล้วก็มีการยนมิตรที่คอยช่วยอันนี้ตั้าตามาก็จะจะจะจ ะ, จะพูดถึง แนวทางในการช่วยเหลือผู้ป่วยระยะสุดท้ายเดียวเพราะช่วยเหลือทางจิตใจนะฮะในเรื่องทางร่างกายเนี่ยอาตมาไม่มีความรู้แต่ในเรื่องของจิตใจเนี่ยอตาตมาก็คิดว่าพอจะมีความรู้อยู่บ้างจากประสบการณ์ที่ได้พบเองบ้างแล้วก็จากที่เคยได้รับ ร, บรู้รับฟังจากพยาบาลและผู้มีประสบการณ์นะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่จะสิ่งที่จะมานําเสนอนี่ก็เพื่อเป็นแนวทางเพื่อที่จะทให้ทุกท่านนี้ได้เกิดได้พอจะคําทางได้บ้างว่า ถ้าถ้าเหตุการณ์ถ้าหากว่าคนรักที่อยู่ใกล้ตัวหรือว่าถ้าหากว่าแก่บานที่ท่านดูแลอยู่เนี่ยเขาเข า, เ, าเขาอยู่ในภาวะที่ที่กลจะไปแล้วเนี่ยเราช่วยเขาได้อย่างไรนะอันแรกที่สุดเลยนั่นคือความรักฮนะความรักสําคัญมากเพราะว่าคนที่คนที่อยู่ในพระแรสุดท้ายเนี่ยหรือไม่ต้องแรีสุดท้ายแนตะคนที่ เป็นโรคซึ่งโลกลายเนี่ยเขาเขาไม่ได้ป่วยกายนะเขาป่วยใจและความป่วยใจของเขาแสดงอาการอย่างนึงคือความกลัวความกลัวนี่เป็นความป่วยอย่างหนึ่งนฮะเขากลัวแนะเขากลัวว่าเขาจะถูกทอดทิ้งเขากลัวเขาจะตายคนเดียวเขากลัวว่าเขาจะจะจะเป็นภาร่าของผู้อื่นเขากลัวว่าเขาจะไปเจออะไรไม่รู้ข้างหน้าบางคนนี่จะเรียกร้อง เรียกร้องให้ใครต่อใครเนี่ยมาอยู่ข้างๆเขาตลอดเวลาบางคนไม่ยอมนอนฮะเพราะถ้านอนแล้วกลัวว่ากลัวว่าจะตายตายแล้วไม่มีใครดูแลโดยเฉพาะตอ น, นกลางคืนกลางคืนเนี่ยจะไม่ยอมนอนเลยแล้วมันจะพยายามปลุกคนเขากลัวฮะกลัวตายคนเดียวกลัวเป็นภาระกลัวว่าจะไปสร้างปัญหาแก่ใครต่อใคร สิ่งที่จะช่วยบรรเทาความกลัวนะนะก็คือการให้ความรักนะความรักทําให้เกิดความรู้สึกอบอกุ่นใจนะความรักช่วยบรรเทาความกลัวได้นะต้องมีความอดทนกัน้นเะพราะบางครั้งเนี่ยคนที่เขาเจ็บป่วยเนี่ยระยะสุดท้ายเนี่ยเขามีความทุกข์บางทีเขาเขาเข้อหงุนหงิด แล้วอาจจะมีความโกรธโกรธว่าทาไมต้องเป็นเขาทําไมต้องเป็นฉันฉันทําดีมาตลอดทําไมถึงต้องเป็นฉันแล้วทําไมถึงทําไมถึงไม่เป็นเธอทำไมถึงไม่เป็นคนอื่นใช่มอันนี้ความความความโกรธเนี่ยความหนุที่แสดงออกมาเนี่ยบางทีมันก็แสดงต่อคนใกล้เคียงแต่สิ่งหนึ่งที่จะพิสูจน์ถึงความรักได้คือความอดทนองกลัน้น แม่เนี่ยอดทนต่อลูกเพราะแม่มีความรักต่อลูกแม่ลูกจะร้องอยังไงแม่ก็แม่ก็แม่ก็อด ท, ทนเพราะแม่รักลูกความรักเช่นนี้แหละที่สามารถที่จะเอามาใช้บรรเทาความกลัวความโกรธและบางทีเขาต้องการทดลองใจว่าไอ้ที่เราแสดงความเอาใจใส่เนี่ยเราเสแสร้งหรือเปล่าทดสอบนะเหมือนเด็กที่ต้องการทดสอบความรักของแม่ผู้ป่วยก็ทําทเช่นนี้กับ กับเราได้เหมือนกันแล้วต้องอดทนกับการที่เป็นเครื่องแสดงพิสูจนถึงความความรักความนิ่งความนิ่งสําคัญบางทีไม่ต้องพูดอะไรมากแค่นิ่งนะความนิ่งเนี่ยมันเป็นเหมือนกระจกสะท้อนที่ทําให้อีกฝ่ายเนี่ยเขารู้ว่าเขาได้ทําอะไรที่ไม่ถูกต้องส่วนข้ามถ้าตอบโต้ไปเนี่ยมันก็ยิ่งทําให้เกิดการตอบโต้กลับไปกลับมามากขึ้นการแสดงความรักนะมันไม่ใช่ต้องแสดงด้วยคาพูด อย่าไปกังวลว่าจะสรรหาคาพูดอะไรที่ภัยล่อพูดแสดงความรักนะบางทีแค่สายตามันก็บอกแล้วฮะว่ามีความเอื้ออาอนแค่ไหนและบางทีแค่สัมผัสนะสัมผัสอย่างนุ่มนวลสัมผัสที่หนาา้าผากสัมผัสที่แขนที่มือนะมันก็ช่วยถ่ายทอดความ ความรักความเมตตาได้แม้กระทั่งผู้ป่วยคนนั้นเนี่ยโคม่าก็ตาม น, นะฮะคุณหมออัมบลาเคยเล่าให้ฟังถึงเคสคนหนึ่งซึ่งแก ป, ประสบอุบัติเหตุทางถนนแล้วก็แกก็เพลินไตวายวทันทีเข้าโรงพยาบาลนะโคมา่ายาวเลยเป็นอาทิตย์หมอบอกหมอตอนที่รับับดูคนนี้หมอบอกว่าโอกาสรอดมีน้อยแต่แกรอดมาได้ฮะ แล้รอดมาแล้วแกก็รอดมาหฟังว่นแกรอดมาได้ยังไงมีหลายตอนนะแต่ตอนที่แกพูดก็คือว่ามีนอนเป็นมาที่แกรู้สึกเหมือนกับว่าใจแกจะหลุดออกจากล่างมันเคว้งความมันก็จะหลุดออกจากล่างเสร็จแล้วสักพักก็จะมีเหมือนกับว่ามีใครมาสัมผัสที่ ท, ที่ตัวและพลังก็แผ่ออกมาดึงจิตเข้ามาให้รู้สึกตัวอีกครั้งนึงรู้สึกตัวในโคม่านะคือมันในในโคมา่านะนั้นเนี่ยมัน มันรู้สึกตัวยังไงเดี๋ยวตาาย่อมาจะเล่าให้ฟัง mm. เขาจะรู้สึกหลายครั้งเลยว่อเขาห่อใจเขาจะหลุดจากจากเขาเขาจะหลุดออกมาเนี่ยมันจะมีพลังอะไรบางอย่างดึงเข้าออมาแล้วเมื่อเขารู้ตัวมันถึงมีสเตตตื่นขึ้นมาได้หลังจากการรักษาเป็นอาทิตย์เนี่ย mm. เขาได้พบว่า mm. มีพยาบาลหัวหน้าพยาบาลคนหนึ่งเนี่ยเจอเวลาแกเจาะออกแกเจาะเวลาขึ้นมาที่ที่วอร์เนี่ย ก็จะไปเยี่ยมทักทายผู้ป่วยทุกคนถ้าผู้ป่วยคนไหนโคม่าหลับอยู่แกก็จะไปสัมผัสแล้วแผ่เมตตาคลอยหายไปไวแค่สัม ผ, สมผัสมันไม่ได้พูดเนี่ยแต่ความเมตตาสามารถที่จะแผ่จากมือของทยาบาลใจดีผู้นั้นเนี่ยไปสู่ผู้ป่วยซึ่งโคม่าได้เพราะนั้นเนี่ยผู้ป่วยไม่ว่าเขาจะรู้สึกตัวหรือไม่รู้สึกตัวเนี่ยเขาให้สัมผัสที่นุ่มนวลที่ทําด้วยความรักความเอื้อทอนเนี่ยมันช่วยฮะ ประการต่มาการช่วยผู้ป่วยย้อนละความตายที่จะมาถึงนะมันเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายที่จะย้อนละความตายนะฮะแต่ว่าถ้าเขาย้อรับความตายเนี่ยมันจะช่วยทําให้เขาเนี่ยสามารถที่จะคุยลึกๆกับญาติได้และทําให้ญาติเนี่ยคุยลึกๆกับเขาได้เวลานี่มีความเข้าใจว่า ต้องไม่อย่าไปบอกความตายอย่าไปบอกข่าวร้ายให้กับผู้ป่วยเพราะเดี๋ยวเขารู้ว่าถ้าเขาจะตายเนี่ยหรือเขากลจะตายหรือเขาจะทุกข์ทรมานเขาจะกระสับกระส่ายอันนั้นก็ จ, จะมีมูลนะฮะแต่ว่าเราพบว่าหลายคนนี่เขาก็สามารถยอมรับได้ถ้าหากว่ามีการพูดคุยกับเขาอย่างอย่างอย่างอย่างมีศิลปะนะไม่ใช่บอกว่านะป้าป้าเป็นมะเร็งนะมะเร็งปอดโรคนี้เราสามาไม่หายหรอก พูดแค่นี้ก็ไปเลยนะฮะคนป่วยนี่ถึงแม้ว่าจะยังสบายดีอยู่แต่พอเจอแค่นี้ก็กไปเหมือนกันสุดเลยต้องมีศิละปะนะฮะค่อยๆพูดนะซึ่งอันนี้เป็นเป็นเรื่องที่อาตมาจะไม่ลงรายละเอียดแต่พูดแล้วต้องพูดด้วยความห่วงใยนะพูดแล้วบอกให้เขารู้ด้วยว่าพร้อมจะช่วยเขาเต็มที่นะแต่การที่พูดเขาโยนความจริงเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเป็นการเราไม่ใช่ต้องใช้การเทศนะฮะ อย่าไปนึกว่าจะต้องเทศคนที่เขามีความทุกข์เพราะความสูญเสียเนี่ยมันพูดตรงๆก็ไม่ได้ผลเพราะพระเจ้าก็ยังไม่ทำเช่นนั้นเลยนางกีสาวครมีแกเสียลูกอายุน้อยหกเจ็ดขวดเท่านั้นเองแกไม่ยอยากไม่ยอมรับว่าลูกตายก็ถือศพของลูกเนี่ยไปหาใครต่อใครเพื่อช่วยพอแกคิดว่าลูกแกคงจะฟื้นขึ้นมาได้ก็ไม่มีใครช่วยคนก็บอกลูกแกตายแล้วเด็กกีสาวคดมีก็ไม่ยอมรับ สุดท้ายก็มีคนบอกว่าไปหาผู้เจ้าดีกว่าผู้เจ้าช่วยได้ผู้เจ้าเห็นนางกิสาขคนมีถือลูกมาพระอคก็ไม่ได้บอกเลยนะว่าความตายเป็นธรรมดาเป็นอนิจจังทุกขงกังอนัตตาสังขารมีของไม่เที่ยงโยมปล่อยวางเะนะผู้เจ้าไม่เคยพูดนะผู้เจ้าบอกว่าถ้าต้องการยารักษาเหรอจะหาให้แต่ว่ามีข้อแม้ว่าต้องไปหาเม็ดผักกาดจากบ้านที่ไม่มีคนตายอากิสาขคนมีก็ดีใจนะฮะ ก็ไปหาบ้านทุกบ้านทุกบ้านมีแม่ประกลาหมดแต่พอถามว่ามีคนตายไหมทุกบ้านมีคนตายเพราะคนสมัยก่อนตายที่บ้านไม่ได้ตายที่โรงพยาบาลเพราะไม่มีโรงพยาบาลนะไปบ้านนี้ก็มีคนตายไปบ้านนี้ก็มีคนตายไปบ้านนี้ก็มีคนตายก็เลยยอมรับความจริงว่าโอ้แกไม่ได้สูญเสียคนเดียวคนอื่นก็สูญเสียเหมือนกันเริ่มเข้าใจแล้วว่าความสูญเสียเป็นเรื่องธรรมดาเริ่มเข้าใจแล้วว่า มันไม่ได้เห็นล้ายไม่ได้เกิดขึ้นกับตัวคนเดียวคนนึงก็เกิดไอ้ความคิดว่าทําไมต้องเป็นชั้นทําไมต้องเป็นชั้นเนี่ยมันมันหายไปไถ้าจะมีก็มีว่าทําไมมันจะเป็นชั้นไม่ได้ก็เลยยอมรับแล้วก็เลยเอารูปไปไปไปเผาแล้วก็มาทูลมหาพืทธเจ้าพืทธเจ้าก็พูดสองประโยคนะว่าความตายย่อมพัดพาผู้ที่หลงในชีวิตเหมือนกับน้ําป่าย่อมพัดพาผู้ที่หลงใน ยึดติในในญาติมิตรในลูกเมียฉะนั้นพอผู้ชนนี้นางสาว ก, กุมีก็บรรลุธรรมเป็นโสดาบันเลยจากคนที่เพอไม่ค่อยได้สติในการเป็นโสดาบันเรียกว่ากระโดดข้ามชั้นขึ้มนมาได้เพราะผู้จ้ามีอุบายที่ทําให้เขา ย, ยอมรับความจริงโดยที่ไม่ได้พูด ต, งตรงๆงั้นการพูดคุยเขา ย, ยอมรับความจริงต้องมีศิลปะมีการซักถามที่เหมาะสมนะว่า กาสักถามว่าเป็นห่วงอะคือบางทีคนเราไม่อยากไม่อยมอมรับความตายก็ยังมีความห่วงอย่างเด็กกรีแม่ของแม่ของเด็กสองคนที่จะมาพูดเนี่ย <c oughs> เขาไม่อยากรับความตายเขาพยายามต่อสู้ความตายก็เป็นห่วงฮะแต่เรื่องนี้เขาไม่พูดจนกว่าจะมีคนมาสักถาม <c oughs> หรือบางทีใครสักถามว่าเออเนี่ยเอโลกนีม้มันรักป่วยมานานแล้วนะคิด บ, บ้างคิดบ้างหรือเปล่าว่าถ้าเกิดรักษามไม่หาจะทํำยังไง ค่อยๆน้อมใจความรู้ึงเรื่องนี้บ้างไม่ใช่คิดแต่ว่าจะรักษาหายรักษาหายเราหรือแม่ก็มองตันเนี่ยอแบกบย่างเตียงโน้นเนี่ยเขาก็ตายไปแล้วเนี่ยรู้สึกงไงบ้างมันมีวิธีหลายวิธีที่จะทําให้เขาได้เกิดความยอมรับความตายที่จะมาถึงและที่เขาตายที่เขายอมรับความตายแล้วก็ยังมีความกังวลก็ช่วยเขาคลายกังวลคือการยอมรความตายเนี่ยมั น, ม, นมันสำคัญอย่างเงี้ยมันสําคัญตรงนี้เพราะว่ า, วา คือไม่ว่าเราจะไม่ว่าเราจะบอกเขาหรือไม่ก็ตามเนี่ยสักวันเขาก็ต้องรู้เขารู้ยังไงเขารู้จักสีหน้าของผู้คนคนที่มาเยี่ยมเขาหน้าตาแดงกล่มหมอบางหมอมาแล้วก็มาแล้วก็ไปไม่คุยกับเขานานๆทาไมหมอหลบหน้าหมอไม่เรียบร้อไม่รู้จะไม่รู้จะทำไงเพราะหมอแล้วคนบอกว่าถ้าถ้าอยู่ไปเดี๋ยวถูกเขาซักถามต่อไม่ได้ก็ไม่อยากจะตอบก็เลยมาปุ๊บแล้วก็ไปเขาสังเกตได้ฮะ เขาสังเกตอาการของคนที่ผิดปกติไปไม่ว่าจะเป็นหมอพยาบาลแล้วก็ญาติบางทีเขามีอะไรอยากจะพูดสั่งลาสั่งเสียแต่เขาไม่กล้าพูดนะฮะเพราะเขาเข้าใจว่าญาตินิดไม่อยากจะพูดเรื่องนี้เขาก็เลยไม่กล้าพูดส่วนญาตินิดก็ไม่อยากจะพูดเรื่องนี้เพราะกลัวว่าผู้ป่วยรับไม่ได้ทั้งสองฝ่ายต่างคิดไปเองทั้งนั้นแต่สุดท้ายเนี่ยมันมีเรื่องข้างคาใจอยู่ เรื่องค้างคาใจอยากจะขอโทษก็ไม่กล้าขอโท ษ, โทษเรื่องของการ Senhor, อร้อวดศธรรมก็ไม่กล้าพูดญาติยากอยา ก, อยากจะอําลายอยากจะขอศีลไม่กล้าพูดเพราะพูดแล้วเดี๋ยวกลัวผู้ป่วยเขารู้ไงว่าฉันจะตายแล้วก็เลยไม่กล้าพูดเก็บไว้ในใจไอ้ความสําคัญสาคัญ ท, ที่อยากจะพูดเก็บไว้ในใจหมดเลยทั้งทั้งสองฝ่ายนะคนคนคนป่วยก็ไม่กล้าสั่งเสียพอเห็นผู้ป่วยพอเห็นญาติเนี่ยเขาปกปิดความจริงไม่บอกนะ การที่ไม่บอกความจริงเนี่ยมันเ็คือการสร้างสร้างกำแพงขวางกันความสัมพันธ์ระหว่าง2ฝ่ายและ3ฝ่ายโดยคือหมอพยาบาลฝ่ายหนึงผู้ป่วยฝ่ายหนึ่งแล้วก็ญาติฝ่ายหนึ่ง ต, ตรงนี้เนี่ยซึ่งมันทาให้ถึงสุดท้ายเนี่ยมันจะนําไปสู่ข้อสูส่ ส, สู่สู่ข้อต่อๆมาไม่ได้โดยเพราะข้อข้อที่4นะฮะเดี๋ยวจะมาจะว่าไป อันนี้ช่วยเขาจดจ่อกับสิ่งที่ดีงามนะฮะคือใจในสําคัญเวลากายป่วยและใจมันไปคิดแต่เรื่องความป่วยเนี่ยก็ยิ่งแย่เข้าไปใหญ่บางทีกายป่วยไปเท่าไหร่แต่ใจปรุงแต่งก็ป่วยหนักเข้าไปใหญ่อย่างตัวอย่างที่ตะมาพูดถึงลุงที่ตัวซีดแล้วก็เป็นแค่เลือดตัวซีดเพราะเพราะพยาเท่านั้นแหละแต่ว่าภูมิแต่งไปใหญ่โตจนข้างร่างกายนี้ก็ไม่มีแรงไปด้วยเพราะใจมันนึกถึงแต่เรื่องโลกพวกนี้ แต่ถ้าจารุนึกถึงสิ่งที่ดีงานเนี่ยไอ้เรื่องร้ายก็กลายเป็นเบาได้ให้จิตใจก็เป็นกุศลแล้วมันเกิดความสงบนะฮะทำยังไงฮะช้าช่วงนี้ก็ทำบุญทำํำกุศลนั่นนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งนะทำทำบุญทำกุศลถวายสังฆทานหรือว่าแม้กระทั่งบูชาพระรัตนตรัยก็ดีตรงนี้สําคัญนะเพราะว่านอกจากความป่วยจะมารบกวนจิตใจแล้วนะฮะมันมีอีกตัวหนึ่งเข้ามาที่ที่ทำพุทธศาสนาเนื่วันนี้มินะ กรมนทมิตกรมนทมิตก็คือภาพเสียงกลิ่นแต่ส่วนใหญ่เป็นภาพนะเกี่ยวกับการกระทำแนด่ดีซึ่งมีทั้งดีและชั่วแต่สิ่งที่เป็นปัญหาคือว่ากรมนิมิตฝ่ายฝ่ายอากุศลไปฆ่าใครไปโกหกใครไปโกงใครเข้ามาเนี่ยไอ้พวกนี้เนี่ยมันจะมันจะย้อนทวนเข้ามาให้ให้รับรู้ได้ และพอคิดถึงแล้วก็จะกระสับกระส่ายอย่างที่เราได้ยินว่าเนี่ยคนที่เป็นแพทย์ศาสตร์าเวลาใกล้ตายบางทีเขาก็ร้องเหมือนเหมือนเป็ด เ, เหมือนไก่หรือบางทีเห็นเป็ดเห็นไก่มาหลอกมาหลอนอันนั่นแหละที่เรียกวกรรมันมิมิตนะแต่มันมีมันมีหลายอย่างมันไม่ใช่น่ากลัวยอย่างนั้นทีเดียวบางทีความรู้สึกผิดที่ได้ทําอะไรไว้กับลูกความรู้สึกผิดที่ทําอะไรไว้ไม่ถูกต้องกับสามีหรือกับภรรยา คือตอนใกล้จะตายเนี่ยมันจะเกิดกระบวนการที่ฝรั่งเขาเรียกว่า live review เดี๋ยวนี้คนที่ทําศึกษาเรื่องคนใกล้ตายเนี่ยก็จะเจอปรากฏการณ์นี้คือกระบวนการมันก็ว่าย้อนกลับไปสู่อดีตภาพในอดีตมันย้อนกลับมาแล้วมันจะเหมือนจริงมากเหมือนก็กลับเข้าไปอยู่ในเหตุการณ์นั้น live review ทบทวนชีวิตนะแต่มันไม่ใช่มันแปลคํานี้ยังไม่ถูกต้องที่มันที่มันจะย้อนกลับมาเมื่อกับหนังกรอหนังย้อนกลับมาะ มันไม่ได้เกิดกับทุกคนนะแต่ว่าจะเกิดเยอะนะและบางทีมันไปพอพอภาพเก่าๆมันย้อนกลับบางทีไปติดอยู่กับภาพหนึ่งคือภาพที่ไม่ดีไอเนี่กรรมมนิมิตรนะคราวนี้ถ้าเกิดเราจดจ่อหรือช่วยผู้ป่วยก็จดจ่อสิ่งที่ดีงามเนี่ยมันก็ทําให้ตัวนี้มันหายไปเหมือนกับที่อาตมาได้เล่าถึงคนที่เป็นพรานแล้วเขาเห็นจิ้งจอกก็จะมาไล่งับ แล้วลูกชายที่เป็นพระก็พูดเตือนใจใเพราะนึกถึงพระรันาตนตรัยแล้วก็ถือทุก ถ, ถือดอกไม้บูชาพระรันาตนตรัยหลวงพ่อพระเจ้านั่นแหละก็คือการทำให้จิตใจจดจ่อสิ่งที่ดีงามนั้นเพื่อนของอตมาเนี่ยเขาเมื่อเขาจะใกล้ตายคนที่พูดเนี่ยนะที่ที่เขาเป็นมะเร็งเต้านมแล้วก็เขาไม่ยอมรักษาทางการสมัยใหม่เขาไปรักษาที่แบบธรรมชาติแล้วก็ไปตายที่บ้าน บ้านเขาเนี่ก็จะทำให้มีเป็นที่ที่สงบให้ใจคินถงึงสิ่งที่ดีงามมีภาพของพระไรมะภ า, าธธาภาพของพระพุทธทาสภาพของพระพุทธเจ้าเพื่อให้ใจเขาคิดถึงสิ่งคิดถึงพระธรรมคำสอนให้เพื่อนๆ น, น, นี่มาคุยพูดคุยกับเรื่องธรรมะสวดมนต์ร่วมกันสวดมนต์แปลนะเช้าเย็นเพื่อนที่มันเขาก็มีเพื่อนเยอะเพื่อนที่เขาเพื่อนที่ อาจจะไม่เข้าใจเขาว่าทําไมเขาถึงไม่ไปโรงพยาบาลเขาก็จัดการออกไปข้างนอกนอกบ้านนะฮะไม่ให้เข้าบ้านเลยบ้านเขาจะมีประตู2ชั้นใครที่เข้าใจว่าเข้าใจเขาดีเป็นพื้นสนิทเขาก็ให้เข้ามามาถึงเตียงเลยใครที่ห่างหน่อยหรือว่าไม่เข้าใจเรื่องว่าทําไมเขาถึงไม่ไปรักษาในโรงพยาบาลก็ให้ไปอยู่นอกๆเพราะไม่อยากจะให้มาร้องไห้คําครวญหรือว่ามามาเส้าซี ขาดคันเขาให้ไปลงเพลเบาก็ต้องการบรรยากาศที่ทาให้จิตใจตรดจ่อสิ่งที่ดีงามแล้วก็รวมทั้งน้อมใจแะรู้ถึงความดีที่ได้ทําด้วยฮะสิ่งที่ดีงามมี2 ส, ส่วนมีสิ่งที่ดีงามนอกตัวคือพระรัตนตรัยหรือพระโพธิสัตว์หรือว่าเจ้าแม่กวนอิมหรือว่าพระศาสดาที่ตัวนับถือนะไม่รู้ตรงนี้จะตุ ข, ขามช่วยได้หรือเปล่านะฮะเพราะว่าไม่มีไม่มีรุ่นไหนที่สรรพคุณบอกว่าให้ให้ ให้ใจสงบมีแต่กระตุ้นให้อยากจะรวยอภิมหาเศรษฐีโคเศรษฐีอะไรเงี้ยนึกถึงแล้วกลับยิ่งเกิดกิเลสมากขึ้นไม่ปล่อยวางนะต้องเอาเอาตัวอื่นนะเอาเอาเอาเอาอันอื่นมาเช่นเจ้าแม่กนอินนะหรือว่ า, าพระพุทธเจ้านั่นแหละฮะดีความดีภายนอกและความดีภายในความดีภายในคือความที่ัเปมม็นทำนะอย่าง พยบาลได้พูดกับแม่ที่เป็นห่วงลูกเนี่ยว่าให้นึกถึงความดีที่ตังได้ทำนะตัวเองได้เลี้ยงลูกมาดีนะไม่ต้องห่วงแล้วตัวเองก็ได้ทําความดีมาตลอดเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่เป็นภรระยาที่ดีของสามีคนเราพอคิดถึงความยิตัวก็จิตใจก็ก็ชื่นบานอันนี้ผู้เจ้าได้สอนมาตั้งแต่แลรกผู้เจ้าได้สอนได้นะว่าอุบาสกที่จะไปช่วยเหลือผู้ที่ใกล้ตายเนี่ยนะ ให้ทำสามอย่างสรุปง่ายๆอันที่1คือให้เขาระลึกถึงพระรัตนตรยัยอันที่สองให้ระลึกถึงศีลที่ได้ทำไว้อย่างไม่มีข้อบอกพร่องเรียกว่าอริยการตสินนะเมื่อนึกถึงพระรัตนตรัยมีศรัทธามม่นคงในพระรัตนตรยัยแล้วก็ระลึกถึงความดีที่ได้ทำหรือระลึกถึงศีลที่ได้ทำที่ได้รักษาไวอา้อย่างยงไม่บกพร่องและที่สมเนี่ยใ ห, ให้ปล่อยวาง ให้ปล่อยวางอย่าไปยึดติดในเรื่องของสามีภรรยาทรัพย์สินเงินทองแม้กระทั่งสวรรค์ซึ่งเดี๋ยวาายจะมาจะจะพูดในเรื่องของข้อที่สีข้อที่ห้าแต่ตอนนี้เนี่ยให้การที่เราดูถึงพัตนนตตัยก็ดีเราืาดูถึงสิ่งความดีงานที่ได้ทําก็ดีคือการมีสีการเป็นูดมีศีมีธรรมเนี่ยมันช่วยได้มากเลยนะฮะคนที่คนที่ไกลวัดไกลาวานไม่รู้จักไม่รู้จักสมาธิภาวนาเนี่ยลองลอง แนะนำเขาดูตรงนี้บางคนมีมีความสุขที่เขาได้ได้ถวายถวายพระพุทธรูปให้กับวัดใดวัดหนึ่งมีความสุขที่ได้มีความภาค ภ, ภูมิใจที่ได้เลี้ยงรูปมาจนโตมีความภาคภูมิใจที่ได้อุปถัมภ์พระสงฆ์ทุกคนเนี่ยไม่ไว่าแม้แต่จะเป็นโจรก็มีความดีอยู่ในตัวและในและความดีเนี่ยมันจะช่วยเราได้ตรงนี้แฮะ คือตอนที่จะใกล้าตายนึกถึงความดีแล้วรู้สึกภูมิใจที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ทั้งชาติไม่เสียทีไม่เสียชาติเกิดก็ทำให้พร้อมจะไปช่วยปลดเปิ่งสิ่งทังขาดใจตรงนี้สำคัญมากนะฮะเพราะว่าคนเนี่ยตายนี่คือประสังในการที่ตายไม่ตายไม่ตายดีนะหรือว่าไม่ยอมตายสักทีคือมีสิ่งทังขาดใจนะสิ่งทังขาดใจนะ บางทีก็อาจจะเป็นเป็น เ, เป็นคนรักคนรักไม่ยอมให้ไปอย่าเมื่อสักปีที่แล้วเนี่ยก็มีดีเจคนหนึ่งแกก็เป็นดีเจชื่อดังแล้วก็เกิดป่วยเป็นมะเร็งอายุก็ไม่มากไม่ถึง40นะแกทางานแกทำงานหนักมาตลอดเลยเพื่อที่จะสร้าง สร้างเนื้อสร้างตัวแล้วก็สร้างเนินหอเพื่อที่จะได้แต่งงานกับคนรักเขาบากว่าไม่ทันได้แต่งก็ล่มป่วยหนะัรกรอกว่าเอาไปทุกส่วนที่เขาเสียหมดเลยนะฮะแย่หมดเลยแต่ว่าไม่ตายเพราะว่าหัวใจยังยังยั ง, ยงเต้นอยู่หมอแปลกใจมากปรากว่าข้างๆเขาเนี่ยเป็นแฟนสาวแฟนสาวก็ร้องหนร้องไห้ว่าอย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งไป แต่ตอนหลังผ่านมาได้หลายวันเนี่ยไม่มีท่าทีว่จะดีขึ้นแล้วคนก็คนก็แย่ลงอ่ะคนคือจะตายก็ไม่จะไปจะอยู่จะหายก็ไม่หายจะตายก็ไม่ตายภรรยาไอ้สามีแฟนเนี่ยก็เลยก็เลยสึกถอใจแล้วสงสารก็เลยบอกว่าถ้าจะไปก็ไปเถอิดปรากฏว่านี่นักสืบพิมพ์ลงข่าวนะพอพูดอย่างนี้เข้าไปเนี่ยปรากว่าหัวใจก็หยุดเต้นแล้ว ไปเลยและการช่วยปิดเผสินค้าขาดใจเนี่ยมันมันสำคัญเราต้องรู้ว่าเราก็มีความละเอียดอ่อนและความใส่ใจว่าเ้ามีความมีอะไรที่คลั่งขาดใจมีพยาบาลหลายคนที่เขาเขามีความละเอียดอ่อนในเรื่องนี้มากมีพยาบาลคนหนึ่งเนี่ยแกไปไปช่วยช่วยดูแลผู้ป่วย ผู้ป่วยมะเร็งปอดแล้วก็เห็นถึงความบุ่นตึงของระหว่างผู้ป่วยกับภรรยาก็เลยสักถามว่าเรื่องราวเป็นยังไงจากลูกสาวก็ได้ความเมีย ว, ว่าผู้ชายเนี่ยก็เมือม่อเมือม่อตอนที่ยังปกติดีแกก็เป็นคนที่เจ้าชู้เนี่ยแล้วก็แกก็ทิ้งลูกทิ้งเมียแล้วก็ไปอยู่กับผู้หญิงหลายผู้หญิงหลายคนทีเดียวเสร็จแล้วต่อมาก็ป่วยป่วยแล้วก็ผู้หญิงที่เคยไปอยู่เยอยก็ ละทิ้งกนไปสุดท้ายแกก็ต้องบากหน้ามาอยู่กับภรรยาภรรยาเก่าก็ดีนะ ก, ก็ยินดีที่จะดูแลแต่ว่าก็รู้สึกว่าทําไปตามหน้าที่นะความความความเหินห่างหมางเมินเนี่ยมันแสดงตัวจงกระทั่งพยาบาลก็เห็นได้พยาบาลก็รู้ว่าผู้ป่วยเนี่ยเขาคงมีความรู้สึกอะไรที่ไม่ดีก็เลยบอกลูกสาวว่าเนี่ย ควรจะไปไปแนะนําแม่นะบอกว่าให้ให้ไปให้ให้อภัยกล่าวคําให้อภัยกับสามีแต่แม่ไม่ยอมนะแม่ก็ถือว่ามีทิฐิมานะถือว่าทําเท่านี้ก็ดีแล้วเป็นพารลามากแล้วผู้ป่วยก็ก็แย่ตลอดนะฮะแล้วลูกสาวก็ไล้ฟังนะวันสุดท้ายเนี่ยก่อนที่แกตายเนี่ยผู้ป่วยแกชันตัวขึ้นมานั่งมาเล็งปอดนะฮะ ท่นตรงก็านั่งแล้วก็บอกกล่าวคําขอโทษกล่าวคําขอโทษภรรยาแล้วแกก็กลับไปนอนแล้วก็ตายวันนั้นแหละคือมันก็ว่ามีสิ่งหนึ่งที่แกยังตายไม่ได้คือว่าถ้าไม่ได้กล่าวคําขอโทษนะคำขอโทษเนี่ยบางทีมันมันไม่บางทีมันออกมาจากจำเป็นต้องออกมาจากปากของผู้ใกล้ตายแต่บางที การที่ได้รับควาขอโทษจากคนที่ยังอยู่เนี่ยก็สําคัญก็มีอีกลายนึงฮนะอันนี้พยาบาลอีคนเขาก็ไลฟ์ฟังว่าก็มีมีผู้ป่วยที่เป็นผู้หญิงในแกอาการหนักและเป็นมะเร็งแต่สีหน้าแกไม่ค่อยดีแม้ว่าลูกจะมาเยี่ยมแกก็ไม่ค่อยดีพยาบาลก็สงสัยนะแต่ก็ไม่ได้พูดอะไร ผู้ป่วยแต่ได้ให้การแนะนําให้การแนะนํำแก่ลูกว่าเนี่ยแม่ใกล้จะไปแล้วนะควรจะหาโอกาสข อ, ข, อาขอเข้ามาขออโหสิขอโทษแม่ลูกก็ไม่รู้จะทำยังไงนะไม่รู้จะพูดยังไงพยาบาลก็แนะนำว่าพูดอย่างนี้พูดอย่างนี้พูดอย่างนี้บางทีคนใกล้ตัวเราขอขอโทษไม่เป็นนะคนใกล้ตัวขอโทษเป็นแนตะคนใกล้ตัวขอพูด ข, ขอโทษได้ยากมากเลยพยาบาลแนะนํา ก็ไปนะบอกกว่าพูดไปแล้วแม่ก็ไม่ได้รู้สึกดีขึ้นเท่าไหร่พยาบาลเห็นก็เอกใจเลยไปถามผู้ชายลูกชายว่าเกิดคุณคุณปิดบังอะไรอะไรไว้หรือเปล่าลูกชายตกใจเพราะว่าปิดบังไว้เรื่องหนึ่งก็คือว่าไปอยู่กินกับผู้หญิงคนหนึ่งแล้วก็ไม่ได้บอกแม่แม่นี่ไม่ทราบรู้ยังไงนะฮะแต่ว่าคงจับที่รู้รุอจับสังเกตได้ ก็รู้สึกเสียใจที่ลูกนี่ไม่ยอมพูดเรื่องพวกนี้กับแม่แม่ก็ทั้งใกล้จะถึงวันรัสุดท้ายแนละ้วบางทีเรื่องเล็กเรื่องนี้บางทีอาจจะดูมันเล็กเป็นเรื่องเล็ก น, อน้อยแต่ว่าสาวคนป่วยก็รู้สึกเป็นเรื่องใหญ่มากแต่ว่าพอพยาบาลก็แนะให้ลูกเนี่ยไปพูดเรื่องนี้ซะลูกก็เชื่อน ะ, ะก็ไปพูดประกอบว่าแม่ดีขึ้นนะพอรู้สึกว่ามันไม่มีอะไรติดค้งขาดใจนะตรงนี้เนี่ยไม่ต้องอาศัยความอดทนความใส่ใจนะฮะให้เวลา ก็มีภารกิจที่ยังค้างค้างควรช่วยเหลือมีภารกิจที่ค้างค้างเรื่องอะไรบ้างบางทีเรื่องหนี้สินนะบางทีก็มีค้ า, างค้างเรื่องเรื่องเรื่องอย่างมีรายนึงนะฮะที่นิณจุลาผู้ป่วยคนหนึ่งเนี่ยแกเป็นคนลุงนะฮะมันเ็งนะแล้วก็คือเวลา คือเวลาให้ยาเนี่ยก็ให้ยาให้ให้ยาเรียว่าอะไรยาระงับปวดเนี่ยแกก็ดีขึ้นนะแต่ละพอยาหายเนี่ยแกก็จะแกก็จะกระสับกระส่ายแกก็จะเหมือนกับดิ้นรนอะไรบางอย่างในห้อง ICU หมอก็พยายามให้แกพูดว่าแกต้องการอะไรแกก็เขียนคำว่าเชียงใหม่ครับใส่ในกระดานหมอก็ไมปเข้าใจว่าชิงใหม่มันคืออะไร แกอยากไปเชียงใหม่เหรอเลยถามลูกลูกก็ไม่รู้คืออะไรแต่สุดท้ายก็พอจะเดาได้ว่าตอนที่แกป่วยที่เชียงใหม่เนี่ยเข้าใจว่าแกคงจะอุทิศร่างกายให้กับโรงพยาบาลที่เชียงใหม่แล้วพอแกลูกก้แกตายเนี่ยแ ก, กก็แ ก, กก็กังวลเรื่องนี้ฮนะพื่อใช่กังวลเรื่องอะไรกังวลเรื่องว่าเรื่องอุทิศเรื่องอุทิศร่างกายให้กับโรงพยาบาลที่เชียงใหม่หมอก็เลยคุยก็เลยถามแ ก, กก็พยักหน้าว่าใช่ หมอก็เลยบอกว่าเนี่ยไม่ต้องห่วงยังไงก็จะจัดการให้ถ้าเอาศพไปให้ที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ไม่ได้โรงพยาบาลจุลาลับเองพอพูดเชนนี้แกก็สบายใจยแล้วแกก็ไม่มีท่าทีต่อสู้ขัดขืนนิดล้นไอ้อาการดังตายต่อไปบางคนมีความข้างค้างใจเรื่องอะไรฮะเรื่องไม่มีคนสืกต่อวิชาอย่างเช่นที่หัดใหญ่เนี่ยมีหมอไม่มี มีคนหนึ่งเนี่ยแกป่วยอาการคล้ายๆกันคือผู้นี้เจก็กระสอบกระส่ายนะมันแสดงออกได้แกเป็นหมอพรามครหมอพรามโรงพยาบาลก็พยายามซักไซา์ซักซายจนกระทั่งจนกระทั่งรู้ว่าเนี่ยแกแกคุยคุยกับลูกนะฮะคุยกับลูกก็เลยพอจะรู้ว่าแกคงติดเรื่องนี้แหละเพราะว่าลูกนี้ไม่ยอมสื่อทอวิชนันทีากแก ก็เลยถามรู้ว่ามีใครบ้างหรือเปล่าที่เคยสนใจเรื่องวิชานี้จากพ่อนก็มีคนหนึ่งก็เลยไปติดต่อคนนั้นเลยบอกว่าให้ให้มาทําพิธีเป็นลูกศิษย์ของหมอพราหมณ์คนนี้ทําที่บ้านนะฮะตัวผู้ป่วยอยู่โรงพยาบาลพอทําเสร็จก็โทรศก็ทอนทางน้อก็แจ้งข่าวว่าทําพิธีเสร็จแล้วนะพยาบาลก็กระซิบกับข้างหูผู้ป่วยว่าเนี่ยคนเนี้ยเขารับเป็นศิษย์แล้ว แกก็สบายมีผู้ป่วยคนหนึ่งอีกคนหนึ่งนะเป็นห่วงเรื่องบ้านนะคือแกแกแกทําแกทําดอกไม้อะทําดอกไม้ดอกไม้กระดาษขายเสร็จแล้วก็แกก็แกก็ซื้อบ้านมาเนี่ยแล้ว่อนิ่งได้ไม่กี่เดือนเองปรากฏว่ามาเป็นมะเร็งพอเป็นมะเร็งเนี่ยนะ แกทำไงฮะแกทํารายชื่อลูกค้าทั้งหมดเลยนะเพื่อมอบให้แกลูกแล้วก็สอนลูกเรื่องการทําดอกไม้เกียรพันเตรียมการอย่างละเอียดเลยนะเพื่อให้ลูกเนี่ยสามารถที่จะผ่อนผ่อนิอนทสืบซอดวิชาชีพจากแกเพราะแกมีลูกค้าเยอะแล้วก็จะได้ไปผ่อนบ้านแล้วก็จะได้เอาเงินเนี่ยวิชาเนี่ยไปเลี้ยงไปเลี้ยงแม่ได้หรือเลี้ยงภรรยาขแก ก็มีคนถามว่าแล้วถ้าลูกเนี่ยผ่อนบ้านไม่ไม่ไม่ได้แล้วไม่สําเร็จจะทํำยังไงแกก็บอกว่าถึงตอนนั้นก็ตัวใครตัวมันแล้วแกปล่อยวางได้นะฮะรายนี้คือไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องมีใครมาช่วยแกปล่อยวางแต่ทําหน้าที่อย่ดีที่สุดแต่แกไม่มีเลือดค้างคาใจละคือแกทําคือแกพร้อมจะตายแล้ะเพราะแกแกมอบหมายทุกอย่างให้ให้ลูกหมด ปลเปลื้องสินค้างขาดใจคือให้อภัยและขออโหสิสําคัญนะฮะการให้อภัยและขอขอโหสเนี่ยมันมันช่วยได้เหมือนกับที่ผู้ชายเขาได้ขอโทษภรรยามันมีสินค้างขาดใจตรงนี้เนี่ยคือบางทีผู้ป่วยเองเนี่ยก็มีความรู้สึกผิดกับกับใครบางคนความรู้สึกผิดกับแม่ ตรงนี้เนี่ยพยาบาลหรือญาติเนี่ยช่วยทำหน้าที่ทําให้เกิดการคืนดีกันได้มีผู้ป่วยคนหนึ่งเนี่ยเป็นผู้หญิงอายุสักสาสิบกว่าแกเป็นผู้หญิงเก่งนะฮะเด็กเรียนปริญญาโทแล้วก็ทําธุรกิจของตัวเองรต่แล้วพอป่วยเป็นก็จะเป็นมะเร็งหรือไงเนี่ยปรากว่าแกเป็นผู้ผู้ป่วยซึ่งลำบากมากเลย แกจะคอยเรียกร้องความสนใจจากจากจากพยาบาลสั่งโน่นสั่งนี่เหมือนกับเป็นผู้จัดการเข้าใจว่าพราแกเป็นคนที่เป็นคนเก่งเนี่ยนะซึ่งที่จริงแกเป็นคนที่ช่วยตัวเองได้มาตลอดแต่พอแกป่วยเนี่ยเกิดความกลัวขึ้นมาแล้วแกจะคอยคอยสั่งพยาบาลให้มาดูโน่นดูนี่เรียกว่าทุกห้านาทีเลยและเกาลรามา แต่มีพยาบาลคนหนึ่งเนี่ยแกก็ใจเย็นนะก็ป้วนเป็นอยู่แถวนั้นอยู่จนกระทั่งพอตอนหลังเนี่ยก็เข้าไปเข้าไปตีสนิทก็ต้องทนนะฮะทนแต่ว่าสักไม่นานเนี่ยคือเขาคือคนผู้ป่วยเนี่ยเขาเซนได้ว่าคนพยาบาลคนนี้เนี่ยเป็นคนที่มีน้ำใจเขาคุณเคยจนกทั่งเรียกว่าแม่นะเรียกว่าแม่แล้วพอเขารู้สึก่มีคนที่ดูแลใจใสเขาจริงใจเคขาเนี่ยเขา เ, เ, เขาสงบลงไปเยอะเลย แล้วต่อมาเขา อ, อาการหนักเนี่ยนะพยาบาลก็สงสยัยไม่มีใครมาเยี่ยมเลยแม่ก็ไม่มาเยี่ยมและมีคราวหนึ่งผู้ป่วยก็พูดหลุด ป, ปากมาว่าเนี่ยว่าพยาบาลนี่ดีเหมือนแม่เ้าเลยเขาก็สงสยัยสงสัยเขาคงพยาบาลผู้ป่วยนี่ก็มีปัญหากับแมนะ่สุดท้ายก็เลยนะ ได้เบอร์โทรศัพทถูท้ายเนี่ยก็เลยคุยกับเรื่องนี้กับกับผู้ป่วยผู้ป่วยก็พูดถึงแม่พอพูดถึงแม่แล้วก็ก็ก็เสียใจพยบาบาลก็รู้สว่ต้องหาทางที่ต้องพาแม่นี่ลงมาหาลูกได้เบอร์โทรศัพท์จากลูกก็โทรไปหาแม่แม่พอพอรู้ว่าเป็นโทรศัพท์จากลูกนี่ไม่อยากจะคุยด้วยเลย ทนาที่พยาบาลเป็นคนโทนะฮะบอกว่าลูกนี่มันมันไม่รักดีมันทําความปัญหาให้กับพ่อแม่มันตลอดแต่พอพยาบาลบอกว่าเนี่ยเขาคิดถึงแม่นะเนี่ยเบอร์โทรศัพท์นี้ก็ได้มาจากเขาคือแม่แม่เนี่ยพอพอพอได้ยินว่าลูกเนี่ยพูดพูดถึงตัวเองนะว่าแม่เนี่ย โอแก่ร้องไห้เลยบ่าเนี่ยฉันรอฟังคํานี้มานานแล้วฉันรอฟังคํานี้มานานแล้วรอฟังคํานี้คือรอฟังคําว่าแม่หมานี้แล้วสุดท้ายแกมาเยี่ยมแกมาเยี่ยมรู่แล้วก็มาดูใจจนจนจนจากไปอันนี้คือปัญหาคือทําบางทีการช่วยช่วยเหลือผู้บาดเสุดท้ายเนี่ยบางทีการช่วยเขาคืนดีกันก็สําคัญ อันนี้จะเป็นปัญหามาสําหรับคนในเมืองนะะคนในชนบทอาจจะไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่ไม่ซับซ้อนเท่าไหร่แต่คนในเมืองเป็นปัญหาเรื่องนี้มากความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิดการช่วยผู้ปล่อยปล่อยวางสิ่งต่างๆนะคือคนเราเนี่ยเรากลัวความตายเพราะความตายเป็นความพัดพลาดแล้วเรากลัวความพัดพลากเพราะเรามีความยึดติดคนเราถ้าไม่ยึดติเนี่ยมันไม่กลัวความพัดพาลาดหรอฮะ เรากลัวความสูญเสียเพราะเรามีความยึดติดอยู่เะงั้นความตายเนี่ยเป็นสุดนยอดของความสูญเสียเป็นสุวยอดของความพัดพราก็เลยกลัวแต่ถ้าคุณแต่ถ้าคุณเนี่ยสามารถที่ปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างได้เนี่ยให้ความตายมันก็น่ากลัวน้อยลงนะเาั้นทำไงถึงจะช่วยพวกเด็กเาปล่อยวางสิ่งต่างได้นะนอกจากปลดปิงสิ่งทั้งคาใจแล้วบางทีก็ยังอาจจะมีบางคนไม่มีเรื่องทั้งคาใจนะฮะ ไม่มีเรื่องอะไรที่คั้งขาดใจเลยเขามีความยึดติดอะไรบางอย่างครอบครัวลูกหรือว่าแม้กระทั่งร่างกายอย่างตัวอย่างของโยมในหมู่บ้านที่ตมาพูดถึงที่แกเป็นมะเร็งลำไส้แล้วก็แกจะตายอยู่แล้วก็ยังลุกขึ้นมาถามคนน้นคนนี้ยังไม่ปล่อยวางสักทีว่าลูกหลายคนนี้ยังไม่มาเลย แต่ว่าแกได้สติไวไงเพราะว่าพาก็มาพูดกับแกแล้วก็ยาย ก, ก็มาบอกแกว่าปล่อยวางได้แล้วเขาสบายแล้วนะแกก็เป็นคนที่เรียกว่าเป็นชาวบ้านก็ง่า ย, ยอายุหกสิบเจ็ดได้แกก็ง่ายแกก็ปล่อยวางได้เลยแล้วก็ล้มลงนอนแล้วก็ไปอย่างสงบมากไม่ไม่ไม่ไม่ทุรนทุรายเลยคนเรามีความยึดความห่วงกังวลหลายอย่างน แ ต, แตกต่างกันไปและทยดีเนี่ยเราก็ช่วยเขาปล่อยวางในเรื่องความที่ถือตัวตนและความกังวลในทรัพย์สินและคนรักถ้าคนเราก็หนีไม่พ้นสามสี่อย่างนี่นะฮะตรงนี้อาะต้องใส่ธรรมะหน่อยนะถ้าคนถ้าคนถ้าคนป่วยนี่เขาพอมีพื้นธรรมะอยู่บ้างก็พูดไปตรงนี้แต่ว่าถ้าเขาไม่มีพื้นเนี่ยนะก็อาจจะพูดได้แค่สามสี่ขสามสี่ขั้นแรกที่เมื่อกี้ได้พูดไว้ แต่ขั้นนี้เนี่ยสำหคนที่เข้าใจพื้นฐานธรรมะแล้วรวมทั้งพยาบาลหรือญาเนี่ยก็เข้าใจ เ, เมื่อเข้าใจเนี่ยเขาพูดให้เขาเข้าใจได้ง่า ย, ยอันนี้ก็สําคัญนะการสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อความสงบใจเพราะว่าความสงบเนี่ยมันความสงบเป็นสิ่งสําคัญจะเป็นจะเป็นการดีถ้าหากว่าไม่ ญาติไม่มาทะเลาะหรือร้องไห้ต่อหน้าผู้ป่วยเพราะว่าทะเลาะมันก็ทําให้ผู้ป่วยเขารู้สึกแย่ร้องไห้ก็ทําให้เขาแย่ผู้ป่วยมันที่รู้สึกผิดนะที่ตัวเองตายอะเพราะว่ามันเป็นมาไปทำร้ายจิตใจของผู้ที่ยังอยู่ความตายเป็นความผิด อย่างที่ตัวมาพูดังแต่ตอนแรกเนี่ยเรามีทัศนคติวาความตายคือความาพ่แพ้เป็นความแพ่แพ้ของเจ้าตัวเป็นความแพ่แพ้ของหมอแล้วมันมีความตายก็เป็นความผิดด้วยเพราะว่ายังมีลูกอยู่ลูกยังเล็กๆอยู่แม่ก็ยังอยู่ทําไมตายก่อนลูกจะรู้สึกผิดขึ้นมาถ้าใครมาร้องไห้เนี่ยอย่าเ พ, พิ่งตายเพิ่งตายเจ้าตัวเลยไม่ยอมตายสักทีเพราะรู้สึกว่ามันยังตายไม่ได้ ถ้าตายจะรู้สึกผิดมากแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีไม่มีบรรยากาศอย่างนี้เนี่ยเขาก็ไปสงบได้นะฮะเราจะมีการเชิญชวนผู้ป่วยเรื่องการทำทำสมาธิภาวนานะ <c oughs> คือไม่ใช่เป็นแนะนําให้ผู้ป่วยทําสมาธิแต่เราไม่ทำนะฮะอันนั้นมันมันมันไม่ได้ผลหรอกฮะส่วนใหญ่อาตมาเห็นบางทีก็ไปนแนะนำอา่าทําสมาธิแต่คนแนะ น, นํานี่ไม่ยอมทํา เดี๋ยวต้องทำร่วมกับเขาฮนะอยากให้เขาทำก็ต้องทำนานพอขอเขาบังทีก็แค่พิทารณาพุโทโธพุโทโธก็พอหรือธรรมะสวดมนต์ก็ยังดีนะแต่เดี๋ยวนี้มีวิธีทางวิธีง่ายๆนะฟังเทศสบายดีสบายกับญาตินะฮะแต่ว่ามันจะดีมากขึ้นถ้าญาติาเนี่ยสวดมนต์ร่วมกับเขาไม่ใช่ก็ฟังเทศอย่างเดียว อำลาผู้ป่วยขอบคุณและชื่นชมความดีของผู้ป่วยหรือเพาถ้าผู้ป่วยเนี่ยเขาเป็นคนมีอายุนะฮะเวลามีลูกหลานทีม่มาขอบคุณหรือถ้าผู้ป่วยเป็นพ่อแม่แล้วมีลูกนี่ย ม, มาแสดงความขอบคุณมาชื่นชมความดีที่ก็ได้ทําแสดงความซาบซึ้งใจมันมันปลื้มมากเลยนะฮะหรือแม้แต่สามีภรรยาก็เหมือนกันมีกรณีหนึน่งฮะ สามีป่วยภรรยาก็มันนั่งเสียใจไม่ได้เสียใจที่สามีป่วยเนีแต่เสียใจว่าอยู่กันมาสามสิบกว่าปีเนี่ยไม่เคยบอกรักสามีเลยและพอจะบอกรักก็ปรากฏสามีโคม่าแล้วเดียก็มานั่งซึมอยู่ข้างเตียงพยาบาลเห็นก็ถามก็บอกว่าก็ถามว่ า, ก า, วาเกิดอะไรขึ้นพอรู้ความจริงก็บอกว่าจะไม่สาเกินไปหรอกถึงแม้เขาโคมา่า คุณก็คุยกับเขาเหมือนคนปกติได้ภรรยาก็เลยมานั่งข้างเตียงแล้วก็บอกสามีนะบอกว่ารู้สึกโชคดีที่ได้มามีชีวิตกับเขากับคุณนะนะแล้วก็มีความสุขที่ได้อยู่ด้วยกันมาตลอดแล้วก็อยากจะขอบคุณคุณนะที่ได้ได้ได้อยู่ด้วยกันมาอั่างาสุขแล้วเขาบอกว่าเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาลำบากใจนะคงอยู่ได้ยากนะ ถ, ถ้าไม่มีเขานะ นะแต่ก็ไม่อยากให้เห็นเขาทุกทรมานมากไปกว่านี้แล้วนะถ้าจะถ้าจะไปก็ขอไปอย่างได้อย่าได้กังวลใครเลยพอพูดอย่างนี้จบนะพรากว่าคนป่วยก็หายใจเฮือกใหญ่หายใจเคื่องใหญ่แล้วก็หมดลมไปเลยเนะนี่ยคือการอำลาผู้ป่วยเนี่ยบางทีมันมันมีผลเหมือนกันนะฮะขอบคุณชื่นชมเขานะขอโหสิ ยอนอันนี้หมายถึงว่าเป็นครั้งสุดท้ายนะก่อนที่เขาจะหมดลมเนี่ยหรือแม้แต่เวลาเขาหมดลมแล้วเนี่ยต่มาก็คิดว่ายังไม่สายนะฮะแล้วก็ช่วยนําหรือน้อมใจให้คิถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์และแนะนำให้เขาปล่อยวางปล่อยวางอยู่สิ่งทั้งปวงเลยตั้งหมดที่ตะมาพูดมาเนี่ยนะอาจจะมีคําถามว่าแล้วคนที่เป็นผักคนที่เป็นโคม่าล่ะ จะทำอย่างไรอาตมาจากประสบการณ์แล้วก็ที่ได้รับรู้มาเนี่ยมันไม่มีความแตกต่างนะฮะระหว่างผู้ป่วยธรรมดากับผู้ป่วยที่โคมา่าไม่รู้สึกตัวหลายคนที่โคม่าเนี่ยอย่างเช่นพยาบาลคนหนึ่งเนี่ยซึ่งทัอาตมาทำงานด้วยแกก็บอกว่าตอนที่แกป่วยตอนที่แกโคมา่พาพ่อคันเป็นพิธีมายุ่ย25เนี่ยระหว่างที่โคมา่าแกได้ยินหมดเลย หมอพยาบาลพูดอะไรกันแกได้ยินผู้ป่วยบางคนนะโคม่าแล้วก็ลูกเนี่ยเอาเทพธรรมะเอาเทพสวดมนต์ซาวเบาให้ฟังแกบอกแกตื่นขึ้นมาแกได้ยินได้ได้ฟังได้ยินได้ยินเสียงสวดมนต์แล้วมันมีที่ไม่ใช่แค่ได้ยินนะมีบางคนเห็นนะซึ่งแปลกนะ แต่นี่เป็นเหตุการณ์ต่างประเทศนะเขาทำการศึกษาไว้มีผู้ป่วยคนนึงเนี่ยแกแกกิดอุบัติเหตุโรคหัวใจหัวใจหัวใจหัวใจวายกระทันหันรีบนําส่งโรงพยาบาลขณะที่พยาบาลเนี่ยจะพยายามต่อท่อใส่ท่อช่วยหายใจเนี่ยก็ถอดฟันปลอมออกแล้วก็รีดพาไปส่งพัฒพยาบาลอาทิตย์นึงต่อมาแกฟื้นขึ้นมาแกเห็นพยาบาลคนที่ถอดฟันปลอมเนี่ยเดินผ่านมาแกทับ แกทักถูกนะฮะว่าเป็นคุณใช่ไหมที่ที่ถอดฟันปลอมผมคำถามคือแกเห็นได้ยังไงฮะแกสลบอยู่ไม่รู้สึกตัวเอาอะไรเห็นนะอีกรลยหนึ่งเป็นเด็กเจ็ดขวบอันนี้แปลกเข้าปใหญ่เจ็ดขวบนี่แกแกเล่นน้ำแล้วแกจมอยู่ในน้ำเนี่ยนานนะฮะที่เขาบันทึกไว้ประมาณยี่สิบนาทีปกติสี่ห้าทีออกซิเจนสมองขาวอซเนก็ต้องตายนะ เอาขึ้นมาเนี่สมองบวมเนี่ยผ่านเอาเอาผ่านเอาเข้าเอ็กซเรย์นี่สมองบวมเลือดเป็นกดสูงมากหมอบอกว่าไม่มีทางไม่มีทางที่จะรักษาแล้วบอกว่า3วันแกฟื้นนะฟื้นเนี่ยแกไม่ฟื้นอย่างเียไม่พอแกเมื่อเห็นหมอมาแกแกแกทักหมอแกบอกว่าตอนที่แกสลบอยู่นแกเห็นหมออยู่2คนคนนึงมีหนวดคนนึงไม่มีหนวดตรงฮะแล้วแกเล่าบรรยากาศตอนที่แกอยู่ในในช่วงที่แกอยู่ใน ในห้องไอซได้แกแกเห็นได้ยังไงฮะคนที่โคม่าเนี่ยมีกลายหนึ่งเนี้ยเป็นผักอันนี้เป็นผักหรือเพราะไอ้เกิดเรียกว่าเกิดสโตรคคืออเส้นเลือดในเส้นสมองอุดตันเนี่ยเส้นเลือดในสมองแตกเนี่ยแล้วทั้งสองข้างเลยแกก็น็อกไปเลยหมอบอกไม่มีทางรักษ า, าหายได้ แล้วก็ลึกๆเนี่ยคงไม่เชื่อว่าจะรอดด้วยเพราะวกแกรอดมาได้ฮเพราะว่าแกเข้าไปทำการรักษาในใ น, ในสถาบันทางด้านประสาทวิทยาซึ่งก้าวหน้า ม, มาแต่ก็เราประสบการณ์ที่น่าสนใจก็บอกว่าตอนที่แกไปรักษาเนี่ยมีหมอเนี่ยแกมาที่แกเป็นผักอยู่นะหมอเนี่ยก็มามาบีบนิ้วแกบีบแรงๆเ่ะแกบอกจะปวดมากรือแกอยากจะร้องแต่ร้องไม่ได้ แหมอบอกว่าเออผู้ป่วยไม่ตอบสนองมั้งผู้ป่วยที่เป็นผักแต่ก็เจ็บอ่ะนี่บางทีเราคิดว่าคนที่คนที่เป็นค น, คนที่โค ม, มา่าหรือคนที่ป่วยเป็นผักเนี่ยเขาไม่รู้สึกตัวแต่ที่ไม่ใช่นะแล้วเมื่อปีที่แล้วเนี่ยเขามีการการศึกษาที่ที่ประเทศเทศอังกฤษเขาใช้เครื่องเ i ็มอาร์ไอเดี๋ยวนี้เครื่องเอ็มอาร์ไอเนีเ่นเครื่องสวย ท, ท, ที่ที่ทำให้รู้ว่า สมองส่วนไหนกําลังทํางานอยู่คือคนเราเนี่ยจิตใจคนเรานเนี่ยมันทําได้หลายหน้าที่เห็นได้ยินฟังคิดพูดโกรธโมโหและหน้าที่แต่ละส่วนเนี่ยมันมันทำงานในสมองแต่ละจุดแต่ละจุดแต่ละแต่แต่ละส่วนแต่ละส่วนแล้วเขจะรู้ว่าสมองทําหน้าที่อะไรเนี่ยเขาก็สแกนเข้าไปาก็จะเห็นเขาก็จะเห็นว่าถ้าสมองส่วนไหนที่มันสว่างวาบออกมาคือใช้ออกซิเจนเยอะมันก็จะสว่างก็แสดงว่าสมองส่วนนั้นทำงาน ก็ใช้วิธีการสแกนสมองกับคนที่เป็นผัก พ, พูดกับผู้ป่วยที่เป็นผัก พ, พูดว่าให้คุณจินตนาการว่าคุณเนี่ยกำลังจะกาลังจะเล่นเทนนิสแล้วก็กำลังเดินรอบห้องบอกกับว่าสมองส่วนที่ทำงานเกี่ยวกับเรื่องภาษาเนี่ยมันสว่างเลยแสดงว่าเขาฟังออกฟังรู้เรื่องตอบสนองและสมองส่วนที่เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวเกี่ยวกล้ามเนื้อเนี่ย มันทำงานตอนที่เขาบอกว่าให้ให้นึกว่ากำลังเดินรอบห้องหรือว่ากำลังเล่นเล่นเทนนิสูแล้วที่มันแปลกกันก็คือว่าเอาเอาเอาเอาเอ า, เอาที่สแกนเนี่ยเอาภาพที่สแกนเนี่ยไปเปรียบเทียบกับคนธรรมดาที่ได้รับคำสั่งเดียวกันบอกก ว, ว่ามันคล้ายกันนข้างแยกไม่ออกเลยว่าของคนไหนที่เป็นผักของคนไหนที่เป็นคนปกติเนี่ย <Yeah. S 1> ตอนนี้เนี่ย แต่เขายังไม่สรุปนะว่ามันเป็นอีกับทุกคนแต่ว่าตอนนี้เนี่ยคือว่าไอความคิดว่าคนที่เขาไม่รู้สึกตัวเราจะทําอะไรกับเขาก็ได้ไม่ใช่แล้วฮะบางทีเขาเข า, เข า, เ, ขาเขารู้สึกตัวเขามีตอบสนองนะฮะท่นติสนาธานเนี่ยเคยเล่า ว, ว่าติสนาธานนี่รู้จักไหมฮะท่านบาเมืองไทยเมื่อสอักสองทิ้งสองเดือนทิ้งแล้ว ตอนเตืนทหาเน่ยไปเยี่ยมเพื่อนชื่ออัลเฟรดเฮสเซอร์ซึ่งเป็นชาวอเมริกันที่ทํางานด้านสันติภาพเฮสเซอร์ Al เนี่ยแกโคม่าสี่วันท่า น, นเตืนอนทหารก็ไปนั่งอยู่ข้างเดียนแล้วพูดคุยกับอัลเฟรดเนี่ยย้อนรำลึกถึงความเป็นเพื่อนสมัยหนหลังมิตรภาพสมัยที่ต่อสู้เพื่อสันติภาพในสงครามเวียดนามพอพูดจบประมาณสัสกสามสสินาทีนะพูดจบเนี่ยอัลเฟรดพูดขึ้นมาตาตาตื่นขึ้นมาแล้วบอก Wonderful w o ว d e r f u l วิเศษมากวิเศษมากนะแล้วก็ที่มันที่มันล่าสุดเนี่ยนะนิตยาสารทางก็ททำฉบับเรื่องสมองเมื่อประมาณเดือนกุมภาเนี่ยมันมีบทความาเขียนโดยหมอคนหนึ่งพูดถึงผู้ป่วยคนหนึ่งเนี่ยซึ่งเป็นมะเร็งสมองเนี่ยรัศกรสมองป่ากว่าไอ้เนื้อไอ้เนื้อมะเร็งเนี่ยมันกินสมองไปเยอะเลยนะจกระทั่ง ไม่อย่างนี้ตายตายแงๆอยู่แล้วแล้วปรากว่าอยู่ดีๆเนี่ยผู้ป่วยคนนี้ก็นั่งลุกขึ้นมานั่งแล้วก็คุยกับญาติญาติยิ้มแย้มอยู่ประมาณสิบห้านาทีแล้วก็ล้มตัวลงนอน แล้วก็ตายไปในวันนั้นแกสงสัยมากเลยว่ามึงทำได้ยังไงเพราะสมองคุณมันไม่เหลือแล้ ว, วแล้วทําไมคุณยังจำได้นะไม่ใช่เบลอนะไม่ใช่เพลินะเหมือนคนปกติทําอยู่สิบห้านาทนะีอันนี้ปัญหาที่มันทําให้เกิดความสงสัยว่าเอ๊ะเพราะฉะนั้นไอ้ความรู้สึกตัวของคนเราเนี่ยหรือสิ่งที่เราว่าจิตเนี่ย มันอยู่ที่สมองล้วนๆหรือเปล่าหรือมันอยู่ที่อื่นด้วยอย่างเด็กคนที่ว่าเนี่ยสมองบวมเนี่ยสมองไม่มีออกซิเจนนองยี่สิบนาทีเนี่มันมัน่าจะตายก็ไม่ตายแล้วอย่างดันเห็นอีกและจําได้ด้วยไอสิ่งนี้เนี่ยมันมันอาตมาพูดได้เพราะมีการบันทึกเอาไว้โดยโดยโดยโดยฝรั่งซึ่งคนไทยมันมีไม่มีการศึกษาเรื่นี้หรือไม่ค่อยมีการเก็บหลักฐานไว้พอสมวัยละเอียด งั้นตรงนี้จะมาอยากจะบอกว่าตรงเนี้มันหมายความว่าคนที่เขาป่วยคนที่เขาเป็นโค ม, มา่าคนที่เขาไม่รู้สึกตัวเนี่ยเราอย่าไปนึกว่าเขาไม่รู้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราปฏิบัติต่อเขาเหมือนกคนปกติเวลาอยู่ข้างเตียงคุยกับเขาอย่าไปกะซิกระซาบร้องไห้หรือว่าทะเลาะกันอยู่ข้างเตียงเขาเรายังสามารถที่จะคุยกับเขาได้ เราสามารถที่ช่วยเขาปล่อยวางได้เราสามารถที่จะขอโทษขอคมาขออโหสิเขาได้ยังไม่สายไอ้ตรงนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งซึ่งแต่ก่อนนี่ไม่ไม่ยอมรับไม่เข้าใจเพราะคิดว่าจิตมันไม่เคยมีอยู่จริงไปคิดว่าทุกคนคนเนี่ยมันเป็นแค่แค่ร่างกายแค่วัตถุยิ่งถ้าสมองตายแล้วเนี่ย จิตมันจะไปรับรู้อะไรจิตก็ไม่มีเพราะจิตตั้งอาศัยวัตถุอาศัยสมองอยู่นะแต่ว่ามันก็ จ, จะจริงส่วนหนึ่งแต่ว่ า, า จ, จะไม่จริงทั้งหมดนะอย่างกรณีในนิตยสารไทม์เนี่ยคนเขียนนี่เขาก็เขาก็เขาก็า ก, าก็ยังหาคาตอบไม่ได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นซเนื้อสมองถูกทําลายไปเยอะแล้วแล้วคุณยังลุกขึ้นมาคุยได้จําได้พูดได้ยิ้มได้นะนนนเนี่ยตาก็เพราะนั้นน่ยตรงนี้เนี่ยก็ อยากจะเลยอยากจะย้ำว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันมันเป็นสิ่งซึ่ง เ, เหนือความเข้าใจ เ, าเราจะพบปรากฏการณ์ของคนซึ่งโคมา่าไม่รู้สึกตัวอยู่ดีก็เปิดตาขึ้นมาอย่างบางคนเนี่ยหมอเป็นยายของหมอคนหนึ่งเนี่ยแกแกป่วยไตายวาย แล้วแกก็แกก็สลบไปอยู่อยู่หกโคมาไปหกเจ็ดวันไม่ตอบสนองอะไรทั้งสิ้นเลยแต่พอหลานกลับจากอเมริกามาถึงเนี่ยแกตื่นเลยฮนะแกมองแล้วแกก็มองไปรอบๆไม่พูดอะไรนะมองไปรอบๆแต่ที่สำคัญคือว่าแกมีปัจจัเยเช่นนี้เนี่ยเมื่อหลานมา แล้วก็วันนั้นแกก็เสี ย, ยแล้วตรงนี้เนี่ยอาตมาเชื่อว่าหลายคนเนี่ยคงเจอประสบการณ์คล้ายๆแบบนี้บางคนเนี่ยรอรอรอให้รอให้ลูกชายได้บวชหรือบางคนรอให้แม่เนี่ยได้ทำบุญอย่างผู้ป่วยเอกคนนึงเนี่ยแก แกช่องหมดสติไปแต่ก่อนที่แกจะช็อกหมดสติเนี่ยแกก็ให้แม่เนี่ยช่วยทําบุญให้หน่อยแม่ก็ไปทําสังกทานไปทำสังกทานเสร็จก็รีบกลับมาหาลูกที่โรงพยาบาลนะก็บอกว่าแม่ได้ทําบุญให้ลูกแล้วนะพอพูดจบเนี่ยไอ้เสนไอ้เสนที่ประจอนเนี่ยมันก็ว่ามันแบนราบเลยพอพูดจบคลาสก็ว่าเขารอเขารอรอแม่มามารายงานผลว่าได้ทําบุญแล้วบางที่คนเรารอบางเรื่องแค่นั้นเองซึ่ง นะแต่พอจบแล้วก็แล้วจบกันอันนี้แหละคือสิ่งที่เราซึ่งเป็นพยาบาลหรือผู้เป็นญานเนี่ยเราสามารถช่วยเขาได้นะให้เขาได้จับไปอย่างสงบอาตมาก็ก็กล่าวพอสมควรแล้วนะฮะไม่ทราบว่ามีคำถามหรือมีประสบการณ์อะไรจะแลกเปลี่ยนนะฮะ ระงที่ไม่มีเนี่ยก็พิจารณ า, าธรรมะจากจัมพุธาไปสักหน่อยก็ดีนะคือในพุทศาสนาเนี่ยเราคิดว่าเรามองว่าไอ้ความตายมันเป็นโอกาสแล้วคนเราเนี่ยถ้าจะตายให้ดีเนี่ยต้องตายหรือว่าตายก่อนตายคือตายจากความยิดถือในตัวตนตั้งแต่ก่อนที่จะหมดลม หือว่าถ้ายังทําไม่ได้ในในช่วงที่จะหมดลมเนี่ยก็สามารถจะใช้โอกาสนั้นเนี่ยในการปล่อยวางได้เนี่ยท่าบอกว่าจะเข้าใจไปว่าต้องเรียนมากนะฮะต้องปฏิบัติลําบากจึงพ้นได้ถ้ารู้จริงสิ่งเดียวก็ง่ายได้รู้ดับให้ไม่มีเหลือเชื่อก็ลองมันไม่ยากนะฮะแค่รู้จริงสิ่งเดียวคือดับดับให้เหลือดับจนไม่เหลือเมื่อเจ็บไข้ความตายจะมาถึง อย่าพันตรึงหวาดไหวให้หม่นหมองระวังให้ดีๆนาทีทองนี่แนะนาทีทองระวังให้ดีๆเลยคอยจดจ้องให้ตรงจุดหลุดได้ทันหลุดให้คือหลุดพ้นนะหลุดพ้นจากความทุกข์ไอตอนความตายจะมาถึงนี่แหละนี่ถึงอัตมาถึงเรี่ยวมันเป็นโอกาสมันไม่ใช่แค่วิกฤตมันเป็นวิกฤตทางกายแต่เป็นโอกาสทางทางจิตใจหนึ่งนาทีสุดท้ายจะยให้พลาด น, นะสาคัญมากเลยนาทีสุดท้ายเนี่ย ตั้งสติไม่ประมาทเพื่อดับขันด้วยจิตว่างปล่อยวางทุกสิ่งอันปล่อยหมดเลยนะฮะไม่วจะเป็นทรัพย์สมบัติรูปเมียทรัพย์สินเงินทองแม้กระทั่งร่างกายหรือรวมทั้งตัวตนด้วยสารพันนั้นไม่ยึดครองเป็นของเราตกกระไดพลอกระโจนให้ดีๆคือเวลาเวลาเวล า, เวลาตายเนี่ยอย่าไปสงสัยแล้วว่าทำไมถึงทำไมถึงต้องเป็นเรา ข้างหน้าเป็นอะไรห่วงกังวลถึงเรื่องของงานการที่ยังค้างๆท่านบอกให้ให้ให้รลึกถึงให้มีท่าทีเหมือนกับเวลาตกกระดเนี่ยตกกระไดาษีไ่ไม่ต้องคิดหน้าคิดหลังแล้วถ้าตกกระดก็กระโจนอย่างเดียวเลยอย่าไปถามว่าไอ้ทำไมถึงตกทําไมใครใครเอาข้างหน้าเป็นอะไรข้างหลังเป็นอะไรไม่ต้องสนใจแล้วตกกระดาเพียงกระโจนให้ดีๆจะถึงที่จุดหมายได้ง่ายเข้าสมัครใจดับไม่เหลือเมื่อไม่เอาก็ดับเราดับตน ตนนิพพานนาที่สุดท้ายเนี่ยนะฮะสามารถจะเป็นโอกาสในการเข้าถึงพระนิพพานได้เพราะฉะนั้นการตา ย, ยางสงบเป็นสาคัญเนี่ฮะมันไม่ใช่ว่ายืดลมหายใจไปให้นานเท่าไหร่ยืดลมหายใจไปโดยที่ไม่มีสติรู้ตัวไม่มีประโยชน์นะฮะดีกว่าตายดีกว่ามันจะดีกว่าถ้าตายถึงแม้จะอายุอา ย, อายุไม่มากหรือตายเร็วกว่ากว่า คนที่ใช้วิธีทางการแพ้แต่ว่าตายแบบที่เรียกว่าตกกระไดประจจนคือไปเลยนะอาจจะดีกว่าที่ซ้ำอันนี้แหละคือที่พูทธศาว่าตายดีแล้วตายดีไม่ใช่ว่าตายแบบไม่รู้สึกตัวนะเดี๋ยวนี้ไปถามใครในส่วนใหญ่บอกาตายดีก็คือว่าตายแบบไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้สึกตัวไม่เจ็บตายแบบหลับไปเลยแล้วก็ตายชอบใช่ไหมฮะ แต่เราไม่รู้หรอกว่าตอนที่เราจะตายเนี่ยเราฝันถึงอะไรเรานึดถึงอะไรเราจะนึกถึงพิยา ม, มาเราจะนึกถึงความคนที่เราโกรธตรงทั่งเราโกรธเราช็อกไปเลยก็ได้คนข้างนอกไอ้คนที่ยังอยู่นึก ว, ว่าเราว่าาเรตายดีแต่ที่แท้เว้ยเราตายแบบทรมานมากเพราะเราไปเห็นภาพที่น่ากลัวแต่ตอนข้ามตายแบบปประสบอุบัติเหตุแต่ระหว่างที่กําลังจะหมดลมนี่ปล่อยวาง ตกก็ไดเพราะกรโจนกลับจะดีกว่าที่ซัมหรือตายดีอย่างนางสาเมาวดีที่จะมาพูดเรื่องถูกไฟครอกเนี่ยคนทั่วไปค น, คนทั้งโลกก็บอกว่าตายยังไม่ดีหรอกมันศพไม่สวยถูกไฟครอกดำเป็นตอตะโกแต่ผู้เจ้าบอกว่านี่แตายดีท่านใช้คาว่านางสาเมาวดีตายอย่างไม่สูญเปล่า ตายยังไม่ศูนย์เปล่าคือคนส่วนใหญ่ตายแบบศูนย์เปล่าเนะีไม่ใช่แค่ชีวิตศูนญเปล่าเดียวนะตายอย่างศูนย์เปล่าคือตายแล้วไม่ได้อะไรเลยแต่ในคําพุทธศาสนาพอตายเนี่ยยังมีโอกาสจะได้อะไรบางอย่างนะอาจจะได้สวรรค์หรือ จ, จะได้นิพพานก็ได้หรือถึงไม่ได้นิพพานก็จะได้โสดาได้สกิทาก็ได้อนี้ทัศนคติการตายในพุทธาศาสนาเนี่ยเขาเขามองมองแบบที่เราว่าไม่ได้มองความตายเป็นเรื่องน่ากลัว ความตายเป็นโอกาสที่จะทำให้ได้เข้าถึงพบภูมิที่สูงขึ้นหรือว่าเข้าถึงพระนิพพานเลยก็ได้นั่ความตายยึงไม่น่ากลัวไงฮะมีมีคำถามเลยรไหรับ มาตราการพระอาจารย์ครับจะอยากขออนุญาตพระอาจารย์เล่าประสบการณ์นิดนึงให้กเฟังนะครับคือก่อนหน้านี้ประมาณสักเป็นเป็นตัวอย่างที่ดีแล้วก็เป็นการสรุปที่ดีนะคคือว่าการการดูแลผู้ป่วยในสุดท้ายเนี่ยมันมันเป็นการช่วย ที่ให้ผลไปพร้อมๆ ก, กันกับทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยไม่ว่าจะเป็นหรือผู้ตายหรือว่าพยาบาลหรือแพทย์หรือว่าญาติบางครั้งเนี่ยสิ่งที่เรามักจะมองข้ามไปก็คือว่าตัวหรือเพราะตัวญาติการดูแลผู้ป่วยสุดท้ายเนี่ยถ้าเราทําได้ดีเนี่ยเราอาจจะ ไม่สามารถช่วยรักษาชีวิตของเขาของผู้ป่วยไว้ได้นะแต่ว่านอกจากเราจะช่วยเขาไปอย่างสงบเรายังช่วยเยียวยาจิตใ จ, จของญาติได้บางครั้งเนี่ยมันต้องใช้ศิลปะในการช่วยเยียวยาจิตใ จ, จเพราะว่าสิ่งที่ตมาพูดมาเนี่ยมันไม่ได้ทํากับไม่ใช่ทํากับผู้ป่วยอย่างเดียวแต่ต้องทํากับญาติ ด, ด้วย ยุติอย่าง เ, เช่นเรื่องสิงข้างคาใจสิ่งค้างคาใจเนี่ยบางทีผู้ญาตเิเขาก็มีอะไรบางอย่างข้างคาใจเขารู้สึกผิดนะมีกรณีหนึน่งเนี่ยนะแม่เนี่ยเสียใจลูกเนี่ยอายุ17แกแกเป็นแกป่วยก็จะเป็นมะเร็งเหมือนกันแล้วก็อาการก็เพียมหนะักแม่ก็มานั่งซึม แกไม่เสียใจที่ลูกจะตายเนี่ยแต่แกมาเสียใจว่าตลอดรู้สึกผิดนะก็คือว่าแกไม่มีโอกาสได้ช่วยลูกเลยตอนที่ลูกป่วยเนี่ยลูกก็ไม่ได้มาบอกมาคุยกับแม่ครอบครัวที่ควรอย่าเหินห่างกันนะตามลักษณะของคนในเมืองตอนที่ป่วยเนี่ยลูกก็ไม่มาบอกแม่และตอนที่รักษาพยาบาลเนี่ยแม่ก็ไม่ค่ยได้ทําอะไรเลย เพา น, น้หมอเนี่ยหมอคุณหนิงกก็เห็นอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าต้องทำอะไรบางอย่างก็เลยชวนแม่เนี่ยให้มาช่วยพยาบาลลูกชายคืองานนี้เนี่ยพยาบาลทำได้แต่หมอบอกว่าให้แม่ทำดีกว่าสิ่งที่ทำก็ไม่ได้มีอะไรมากก็ใช้ตัวเอาน้ามันทาทาลิ้นทีปากแล้วก็ใช้น้ําตา มันไม่ได้ใช้ความสามารถที่ซับซ้อนอาจจะไม่รวดเร็วเหมือนกับที่พยาบาลทําแต่ความรู้สึกของแม่นี่ดีมากเลยแม่รู้สึกว่าเขาได้ทําอะไรอย่างน้อยเนี่ยในวันสุดท้ายในระยะสุดท้ายนี้เพื่อลูกมันช่วยช่วยลดความรู้สึกผิดของแม่ไปได้เยอะและด้วยเหตุ น, นี้เองแม่จึงยอมรับความตายของลูกได้เพราะอย่างน้อยเนี่ยได้ทําในสิ่งที่แม่ควรจะทําแล้วนะตรงนี้เนี่ยมันมันเป็น มันเป็นศิละปะของแพท ย, ย์ที่พยายามทําให้ผู้ให้ญาตนนิเก็ได้มาช่วยได้มามีส่ว น, นซึ่งวิธีแบบนี้เนี่ยมันมันค่อนข้างจะสวนทางหรือขัดกับระบบที่โรงพยาบาลวางไว้เพราะระบบที่โรงพยาบาลวางไว้ก็คือว่าต้องให้พยาบาลทำใช่ไหมมันเร็ว แต่ว่าสําหรับกรณีนี้เนี่ยการที่แม่ทำเนี่ยมันมีผลต่อจิตใจของแม่และลูกมากเลยพอลูกแม่กับลูกไม่เคยสัมผัสตัวกันเลยนี่เป็นครั้งแรกครัสุดท้ายที่จะสัมผัสตัวนะแล้วตรงนี้เนี่ยมันช่วยเยียวยาจิตใจของของแม่ได้เยอะแล้วเขาก็ในสุดเขาก็สามารถที่จะยิ้มรับชะตากรรมของลูกได้เพราะอย่างน้อยได้ทําในสิ่งที่ตัวเองอยากจะทํามานาน ตรงนี้เนี่ยมันมันมันมันเป็นเรื่องของที่เราเรียกการแพทย์แบบประคับประคองหรือการช่วยเหลือทางจิตใจแก่ผู้ป่วยเนี่ยมันอยากจะให้เรามองกว้างไปถึงว่าสิ่งที่เราทําเนี่ยมันมันไม่ใช้เกิดผลต่อจิตใจแก่ผู้ป่วยเดียวแต่ยังกับพยาบาลไอ้ยังกับญาติแล้วก็กับเราด้วยถ้าผููอย่างภาษาฝรั่งคือมันวินวินหมดเลยอ่ะมันได้ทั้งหมดเลยแล้วมันวินวินแม้กระทั่งว่าถ้าเขาอยู่เขาก็อยู่อย่างมีคุณภาพ ถ้าก็ตายเขาก็ตายตายดีนะไม่ว่าอยู่หรือตายดีทั้งนั้นนะถ้าหากว่าเราทำด้วยท่าทีแบบนี้ซึ่งตรงข้าวกับวิธีการสมัยก่อนก็คือว่าถ้าอยู่คือชนะถ้าตายคือแพนะไม่ใช่นะอยู่ก็ชนะถ้าถ้าอยู่ยางมีความยางมีคุณภาพตายก็ชนะหรือตายก็ตาย ถ, าถ้าตายดีมันวิน ว, นวินหมดเลยนะไอ้ตรงนี้เนี่ยถามว่าทาด้วยรต้องทำด้วยใจใจเป็นเรื่องสำคัญที่สุดเลย แต่ใจเนี่ยระบบในปัจจุบันเนี่ยมันไม่อื้อให้เราได้ใช้ใจกับผู้ป่วยเท่าไหร่ความเร่งรีบนะหรือว่าบางทีมันมีเรื่องของอำนาจก็คือว่าผู้พยาบาลอยู่ข้างบนผู้ป่วยอยู่ข้างล่างผู้ป่วยต้องต้องเชื่อฟังพยาบาลเชื่อฟังแพทย์นะตรงที่มันเกิดความความความสัมพันธ์ที่ไม่เท่าเทียมกันโดยที่เราไม่รู้ตัวเร่อง่นึงกัก็คือว่าระบบ และบทบาทที่เราถูกสอนมาเนี่ยมันเป็นระบระบบทบาทที่เราให้ในนเรื่องการใช้วิชาชีพใช้ทักษะทางการแพทย์พยาบาลแต่ไม่ค่อยได้ใช้ใจ6ปีที่เราถูกสอนมาเนี่ยคือการถูกสอนในเรื่องของทักษะวิชาชีพแต่เราไม่ค่อยได้สอนกันเรื่องใจฮะ เพราะนั้นเวลาเราเวลาเราสวมสวมหมวกหรือสวมเพื้งแบบพยาบาลและแพทย์เนี่ยเราไปกับเขาเนี่ยเราไม่ค่อยได้ใช้ใจถึงทั้นที่เรามีใจแต่เราไม่ค่อยได้ใช้เพราะว่าระบบมันมันหล่อล้อมให้เราเนี่ยหรือระบบมันตีกรอบให้เราเนี่ยใช้แต่วิชาชีพใช้แต่ทักษะซึ่งก็หนีไม่พ้นเรื่องกายอาตมาเคยเคยให้พยาบาลเนี่ยที่มาอบรมรเผชิญความตายอย่างสงบอาตมาเนี่ย ให้ไปเยี่ยมผู้ป่วยไม่ได้ให้ไปเยี่ยมในคนะพยาบาลนะให้ไปเยี่ยมในคณะอาสาสมัครพยาบาลหลายคนเกรงเลยฮะเกรงในยทั้งทั้ที่วอที่ตัวยองไปนี่ก็คือวอที่ตัวเคยไปเคยไปเยี่ยมไปเยี่ยมพูดเยี่ยมเย็นอยู่แล้วแต่เนื่องจากไปคนระบาดไม่ได้ไปในคณะพยาบาลแต่ไปในคณะที่เป็นอาสาสมัครคือเป็นคนธรรมดาแก่เกรงฮรเพราะว่าในในบทนี้เนี่ยจะไม่ได้ใช้วิชาชีพแล้วจะไม่สามารถใช้วิชาชีพได้ จะไม่ได้ถามว่าอุณหภูมิเท่าไหร่ไม่ได้ถามว่าความดันเท่าไหร่แต่ถามเรื่องเรื่องญาติมิตรเรือครอบครัวเรื่องเรื่องจิตใจซึ่งเขาสู่ว่าเขาทำเขาทำให้เป็นอ่ะเกาเกรงนะแกเขาไม่ยอมรับแต่พอได้ทาแล้วพบว่ามันไม่ใช่มันไม่ได้ยากอะไรเลยหลายคนกลับมาแล้วตื่นเต้นดีใจโอ้ทาได้นะรู้สึกว่าเขาได้เขาได้เขาได้เขาได้เขาได้ปฏิสัมพันธ์กับผู้ป่วยอีกแบบหนึ่งซึ่งเขาไม่เคยทำมาก่อนซึ่งมันดีกับเขา คือเป็นความสำนึกรวมมนุษย์ต่มนุษย์ซึ่งทําให้เขาได้คุยเรื่องคุยเรื่องย่า่คุยเรื่องครอบครัวคุยเรื่องจิตใจมันออกมันฉี่ออกไปจากกรอบเดิมที่เขาไปในสถาที่เป็นพยาบาลนะแล้วแต่มาเคื่อตรงนี้เนี่ยเริ่มต้นเลยคือเรื่องใจฮะเอาใจเข้ามานะเรื่องเรื่องวิชาชีพเนี่ยเรามีอยู่แล้วนะแต่สิ่งที่ต้องให้กวามาคือเรื่องใจคือความเป็นเพื่อนความเป็นที่เป็นน้องกันซึ่งคนไทยมีอยู่มาก แล้วต่อมาเนี่ยคือเรื่องเวลาฮะเพราะว่าส ม, มรรถภาพจะเกิดขึ้นไดนมน้มันต้องใช้เวลามันต้องใช้เวลาถ้าเราใช้ระบบที่เป็นอยู่เนี่ยมันทำให้ไม่มีเวลากันเลยฮะบุญกันไปหมดนะแต่ว่าถ้าหากว่าเราเริ่มที่จะเริ่มที่จะมีเวลาให้กับเขา ไปเยี่ยมเยี่ยมเขาทั้งที่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เป็นไม่ใช่เป็นเตียงของเราเราไปเยี่ยมเยี่ยมเขาแล้วผู้ป่วยเขาสังเกตนะเขาเขาเขาอยู่นิ่งๆนี่ยเขาเขาสังเกตตลอดเวลานะการเคลื่อนไหวของพยาบาลและแพทย์เนี่ยเขารู้เลยว่าใครเป็นเขารู้ว่าใครเนี่ยเป็นใครนิสัยใจคอเป็นยังไงเพราะเขาอยู่นิ่งๆเขาเห็นนะฮะแล้วก็จะรู้ว่าใครบางคนที่ที่น่าจะเอื้อทออย่างเขาแล้วใครบางคนที่ อาจจะไม่ไม่มีเวลาให้เขาแล้วตรงเนี้แต่ถ้าเกิดว่าเรามีเวลาให้เขาเนี่ยสมบัติภาพจะเกิดขึ้นได้ง่ายๆแล้วอะไรอะไรมันก็จะง่ายขึ้นถ้าสมบัติภาพเกิดขึ้นคือสมบัติภาพนําไปสู่ความไว้วางใจเมื่อมีความไว้วางใจขึ้นก็จะพูดความในใจผู้เรื่องแม่ผู้เรื่องลูกผู้เรื่องอะไรต่ออะไรที่เขาอาจจะไม่พูดกับลูกอาจจะไม่พูดกับญาติด้วยซ้ําแต่ก็พูดกับเราเพราะเขาไว้ใจเพราะว่ามีสมบัติภาพต่อกัน พอได้สัมผัสได้เอื้อทอนต่ อ, อ ก, กันซึ่งพยาบาลเนี่ยมี percent, เปอร์เซนต์มีมีความได้เปรียบอยู่แล้วเพราะว่าได้ช่วยสัมผัสได้ช่วยดูแลในในทางกายกับเขาแล้วก็อาจจะบางคนก็อาจจะมีเวลาในเรื่องของการพูดคุ ย, ค ย, คยเรื่องจิตใจแต่ทั้งหมดนี้เนี่ยอาจมาคิดว่ามันต้องอาศัยอีกส่วนหนึ่งที่ปัจจัยเข้ามาเสริมนะคืออาสาสมัครอาสาสมัครเนี่ยเขามีข้อดีหลายอย่างนะทั้งเที่เข า, า จ, จะไม่ได้จบวิชาไม่ได้มีวิชาชีพทางการแทย์ หรือพยาบาลแต่เขามีข้อดีที่เขาได้เปรียบทึ่งแพทย์พยาบาลไม่มีคือหนึ่งเขาาไม่โหลดงานแพทย์และพยาบาลนี่โหลดงานก็ทําให้ไม่มีเวลากับผู้ป่วยแต่อาสาสมัครเนี่ยเขาไม่โหลดงานนะเขาไม่ได้ทํางานหนักเหมือนกับเราเขามีเวลาเขามีไล่กับผู้ป่วยเขาไม่เร่งรีบสองเนื่องจากเขาไม่ได้จบทางแพทย์พยาบาลเนี่ยเขาจะไม่ได้ให้ความสนใจกับเรื่องกายของผู้ป่วยก็จะสนใจเรื่องของ ความสัมพันธ์เรื่องของจิตใจเรื่องครอบครัวอาจจะซักถามเรื่องของความเป็นอยู่เรื่องของชีวิตการงานเรื่องแฟร์เรื่องอะไรอาสาสมัครเขา้าใจเปรียกตรงนี้ฮะคือเขาเนื่องจากเขาไม่ไม่ไม่สมมวมหมวกพยาบาลเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยความคาดหวังจากจากความคาดหวังจากญาติเพรามคาดหวังจากผู้ป่วยก็ไม่ได้คาดหวังในเรื่องของกายอยู่แล้ว เ, เขาจะเขาจะเขาก็จะพร้อมที่จะเปิดใจยงั้นอาสาสมัครเป็นคนที่จะรู้รู้ความในใจรู้ปัญหาของผู้ป่วยได้มาก ขอหนึ่าไ ม, ไม่ไม่ได้ไม่ได้มีเครื่องแบบไม่ได้ไม่ได้มีมีบทบาทสถานะอย่างแพทย์และพยาบาล2เป็นสถานภาพที่เท่าเทียมกันคือเป็นเพื่อนกันเป็นคนสถานะเหมือนกันเพราะฉะนั้นเขามีแล้วก็เปิดและตรงนี้เนี่ยมันจะช่วยทำให้ได้เห็นที่จริงเนี่ยนะถ้าหากว่าเปลี่ยนเปลี่ยนคือบางทีเนี่ยเพียงแค่เปลี่ยน เปลี่ยนบรรยากาศเปลี่ยนสถานที่เนี่ยเช่นจากโรงพยาบาลไปบ้านเขาเนี่ยสมรรถภาพก็เปลี่ยนไปด้วยพยาบาลที่ดูแลเขาในโรงพยาบาลกับพยาบาลที่ไปดูแลเขาที่บ้านเนี่ยจะได้อะไรที่ไม่เหมือนกับตอนที่เขาอยู่โรงพยาบาลมีเพยาบาลคนนึงเนี่ยแกก็เห็นผู้ป่วยคนเป็นคนลุงเนี่ยแกก็ให้ยาให้ยาไปให้ยาแก้ปวด บอกว่าลุงกังไม่กินฮะพอไปที่บ้านเนี่ยลุงไม่กินไอตอนอยู่ที่โรงพยาบาลเนี่ยแกแกก็ไม่พูดอะไรแต่พอไปอยู่ที่บ้านเนี่ยโรพยาบาลไปเยี่ยมตามไปที่บ้านอันนี้เกิดที่กรุงเทพนะแกก็ไม่กินยาแกบอกว่าแกให้ผลว่ไม่กินยาเพราะว่าแกจะใช้สมาธิรองงับปวดแน่นะฮะงั้นพรพยาบาลก็บอกองั้นๆันไหนลุงก็นั่งสมาธินั่งสมาธิก็ยังปวดอยู่ พแกนั่งสมาธิไม่เป็นน ะ, ะแล้วทำไมไม่กินไ ม, ไม่ไม่กินยาแกบอกไม่มีเงินไม่มีเงินซื้อยาแกบอกว่ายอมยอมยอมปวดดีกว่าให้ลูกเมียเนี่ยไม่มีข้าวกินแกไม่ซื้อยาแกไม่มีเงินซื้อยาและไม่ยอมซื้อยาด้วย แค่เนี่ยคือเราบางทีเรารักษาเข้ามาแทบตายเนี่ยลงทุนเข้าเนี่ยเป็นหมื่นเป็นแสนเนี่ยถ้าเพียงแค่ให้ยาไปกินเนี่ยเขาหรือให้เขาไปซื้ อ, อยากินเนี่ยเขาไม่ซื้อเพราะง่ายๆคือไม่มีเงินเพราะจนไอ้ตรงนี้เนี่ยบางทีเราไม่รู้เหรอฮะพยาบาลไม่รู้จนกว่าจนกว่าจะไปตามว่ถึงบ้านหรือว่าจะไว้ใจเขาคุยกับเขาหรือว่ามีอาสาสมัครมาช่วยเนี่ยต่อมาคิดว่าเป็นนิมิตดีที่ได้ทราบว่ามีอาสาสมัครเนี่ยเท่ ที่โงพยาบาลนี่เขามาทํางานในโครงการจิตอาสาเพื่อที่จะช่วยทําตรงนี้อาสาสมัครอาจจะเป็นพยาบาลก็ได้นะฮะแต่ว่าสมคนรบดไม่ได้ไม่ได้ไ ม, ไ, ด ไ, ม ไ, ดไม่ได้สมบทพยาบาลหรือจะไปสมบทอาสาสมัครธรรมดาที่ไม่ต้องไม่ได้มีหน้าที่มามาตรวจดูอุณหภูมิหรือว่าตรวจความดันแต่ถามเรื่องทั่วๆไปซึ่งตรงนี้คือสิ่งที่ผู้ป่วยเขารอเป็นสิ่งที่ผู้เป่วยเขาขาด และสารสมองที่จะจะเป็นตัวเชื่อมระหว่างผู้ป่วยญาติและแพทย์พยาบาลได้เป็นอย่างดีมันจะมีสามเศร้านะฮะในโรงพยาบาลจะมีสามเศร้าซึ่งตอนนี้เนี่ยอาจจะเผินห่างกันคือแพทย์พยาบาลผู้ป่วยแล้วก็ญาติระบบที่เป็นอยู่นะฮะมันเป็นระบบซึ่งไม่ค่อยเอื้อต่อการสร้างสัมพันธภาพระหว่าง3เศ้านี้เท่าไหร่ แม้แต่ญาติกับผู้ป่วยนะฮะเพราะว่าอย่างที่เราทราบว่าญาติเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยได้มีเวลาจะไม่มีโอกาสหรือไม่มีไม่มีไม่มีบรรยากาศที่ค่อจะมาคุกคลีดใกล้ชิดกับผู้ป่วยนะไม่เหมือนกับอยู่ที่บ้านอยู่ใกล้ชิดกันแต่บรรยากาศและระบบของการแพทย์แต่โรงพยาบาลเนี่ยมันทำให้ไอ้สามเศร้าเนี่ยมันมีสมรรถภาพที่ที่ไม่ที่ไม่ที่ไม่ใกล้ชิด แพทย์ทียาบาลก็ไม่มีเวลาอยู่กับผู้ป่วยมากยิ่งกับญาติแล้วก็ยิ่งไม่มีเวลาเข้าไปใหญ่ใแต่การที่มีอาสาสมัครเข้ามาเนี่ยอาสาสมัครเนี่ยมันจะทําให้เป็นตัวหล่อลื่นให้สมรรถภาพ3ามเศร้าเนี่ยเป็นไปได้ดีถ้าอาสาสมัครเข้าใจงานนะฮะแล้วก็อาสสมัครมีใจในแต่เราคิดว่าเนี่ยที่หลายคนไปไปไปไปโรงพยาบาลของฉือจี้ที่ไต้หวันแล้วก็ประทับใจเนี่ยส่วนหนึ่งก็เพราะเขามีตรงนี้แหละเป็นตัวหล่อลื่นซึ่งทําให้ ให้โรงพยงบาลชูจี้เนี่ยมันถึงเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นผู้บุเบลในเรื่องของสิ่งที่เรียกว่าการแพทย์ที่มีหัวใจแห่งความเป็นมนุษย์นะไงตมาคิดว่าทั้งหมดนี้เนี่ยมันมั น, ม, นมันเกิดขึ้นได้ถ้าเกิดว่าเราเร า, เราเริ่มมีใจและสิ่งนี้คือสิ่งสําคัญในในเรื่องการดูแลรักษาผู้ป่วยระยะสุดท้ายหรือว่าการรวมทั้งการแพทย์แบบประคับประคองด้วย ท่านมาก็ขอแสดงความยนเีกัท่านี้ครับ